จเจริญธรรมทุกคน <c oughs> าวันนี้วันที่18แปดแล้ววันอังคารที่18พฤศจิกายน2557แรม12ค่ำเดือน12บสอปีมะเมียปีมะเมียนี่วันปี บูชาเกิดบีมเมียวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องของพุทธชีวศิลป์กันก็พูดกันทั้งเรื่องพุทธธรรมเรื่องของพุทธธรรมไปเรื่อยๆ เ, เจาะมุมนั่นเจาะมุมนี้ไปเรื่อยๆอาตมาว่าจะไล่ปฏิสมบุบาติมันก็ไล่ไม่ไปไหนไม่ออก เอาไปเอามาก็ไปแวะไปแวะมาเจาะลึกไปเจาะลึกมานะก็เขา้เข า, เขาใจไปอย่างนั้นแะอาตมานี้ไม่เก่งนะไม่เก่งในการที่จะเรียบเรียงให้มันเป็นระบบระเบียบระหมมันไม่ได้เลยนะมิหน่าเราไม่ได้ไปชื่อระบบระเบียบระแบบอะไรกับเขาอ่ามันไม่ันไม่ได้อยู่ในแนวแนวอย่างนั้นอ่า มีสมณะท่านหนึ่งมีโอกาสได้อยู่ใกล้สมณะหลายรูปก็เลยเห็นท่านทั้งหลายพูดคุยกันในเรื่องงานบางทีท่านก็พูดการเมืองด้วยก็เลยทำให้ไม่ใช่ไม่ใช่สมณะนักบวชท่านหนึ่งมาเจอเพวกเราเนสมณะหลายรูปก็เห็นคุยกันในเรื่องงานเรื่องการเมืองก็เลยทำให้รู้สึกว่าศรัทธามันลดลงว่า ง, งั้น เลยมีพูดถามอัตมามาว่าอัตมาพาหลงทางหอเปล่าที่สมณะคุยกันพูดกันนั่นเป็นความเสื่อมหรือเปล่าพูดไอ้เรื่ององั้นมันนมันเป็นติริชานคาถาหรือเปล่าโดยติริชานคาถานี่มันหมายความว่าอะไรนะไม่เห็นได้พูดกันถึงเรื่องธรรม ะ, ะยังเป็นการปฏิบัติธรรมหรือเปล่าจนเนี้ย ถามมาดีน่าดีฟังดีดีน้าตมาก็จะได้ตอบพูดที่ยึดอะไรก็แล้วแต่ยึดพระไตรปิฎกก็ดียึดอะไรก็ตามยึดอดีตยึดยุคสมัยยึดสังคมเก่า ไม่ไม่ได้เคลื่อนไม่ได้รู้จักว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปเหตุปัจจัยมันจะไม่เหมือนเดิมอะไรต่างๆนา น, นานพวกนี้คือกลายเป็นคนยึดอย่างนั้นยึดมั่นถือมั่นถ้าเรียกได้สับคพระบริจาคท่าเรียกว่ายึดมั่นถือมั่นยึดแอันนั้นคงที่คงเที่ยงนี่แหละจะเป็นยึดสภาพยึดกาละยึดทฤษฎียึดแบบอย่างยึดอะไรก็แล้วแต่ มันก็ทําให้เห็นว่าคนนั้นจะเข้าใจอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยในองค์ประกอบของสังคมมนุษย์ชาติไม่ว่าจะเป็นอัตถธรรมะต่างๆเป้าหมายของอัตถเป้าหมายของเนื้อแท้ของสัจธรรมคือเป้าหมายนิพพานเป้าหมายลดกิเลสให้หมด อันนี้มันไม่เปลี่ยนแปลงหรอกไม่เปลี่ยนแปลงอัฏถะแท้ๆของธรรมะต่างๆไม่เปลี่ยนแปลงแต่ในตัวธรรมะเองแปลว่าองค์สิ่งที่ทรงอยู่ทั้งหมดมันก็มีเพิ่มมีใหม่มีแปลกมีเปลี่ยนอะไรเยอะในธรรมะนี่มันไม่คงที่สเพธรรมาอนัตตาสเพธรรมานิจังสเพธรรมาทุกครั้งต่างๆนาน า, นาธรรมะนี้ ทั้งหลายทั้งปวงมันเป็นองค์รวมธรรมะทั้งหมดเป็นองค์รวมส่วนเป้าหมายนิพพานมันไม่ไม่เปลี่ยนแปลงมันผู้ใดที่แม่นแม่นในความเป็นนิพพานชัดเจนแล้วก็ไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นแม้ในนิพพานนั่นก็นเป็นที่สุดของผู้ที่ท่านบนลุกแต่ผู้ที่ยึดมั่นถือมั่นไปตั้งแต่ยึดวิถุแท่งกนหลักเกณฑ์หรือว่า องค์ประกอบที่มันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆตามยุคตามสมัยต่างๆนานาเหตุปัจจัยต่างๆมันเปลี่ยนแปลงอันนี้ที่ไม่ค่อยเข้าใจถึงองค์ประกอบของธรรมะองค์รวมส่วนรวมเนี่ยก็ยึดกันไปยึดกันไปก็ทําให้อย่างนี้ยึดกันว่าพวกเรานี่เอาแต่งานเอาคํานี้ก่อนการงานที่ภาษา บาลีท่านเรียกว่ากรรมกรรมมันตะการงานทั้งหมดทั้งสิน้นกรรมมันตะเนี่ยการกระทำหรือว่าการงานเนี่ยมันก็เกิดจากเหตุปัจจัยที่คนจะทำการงานนั้นๆแต่ละยุคแต่ละสมัยแต่ละองค์ประกอบแต่ละเหตุปัจจัยมันไม่ได้คงที่คงเดิมยคพระพุทธเจ้า สังคมเป็นสังคมอย่างหนึ่งองค์ประกอบของมนุษยชาติองค์ประกอบของวัตถุดิบธรรมชาติแม่สำคัญก็คือองค์ประกอบของวัฒนธรรมมันต่างกันไปหมดมาถึงยุคนี้ก็ต่างกันไปต่างไปมากเลยนะมันแปลกเปลี่ยนไปมันอะไร อ, อะไรที่ไม่ไม่มีเหมือนกันต้องเยอะต้องแยะน่ะ เพราะงั้นเรามาทำงานกันทุกวันนี้เนี่ยมันจึงไม่ใช่งานที่เราทำนี่เหมือนกับทางยุคพระพุทธเจ้าแน่นอนกรรมการงานแต่ก่อนจะขยายการงานนี่ก็ขอเอาหลักธรรมวิญาอันนี้เราไม่เถียงเราไม่แยง้งคำตรัสพระเจ้าการงานเนี่ยมันมีอยู่ประเด็นหนึ่งถ้าพูด้ใดที่ไปมันมีพยัญชนะว่ากรรมารามตาท่านแปลว่า ผู้ใดไปยินดีในการงานนะยินดีในการงานคําว่ายินดีท่านแปลว่าอย่างนั้นนะในพระไตรปิฎกโดยในหลักธรรมต่างๆ ท, ท่าแปลว่ายินดีอัตมาสงดุดมาตั้งแต่ต้นแล้วว่าถ้าเผื่อว่าคนไปยินดีในการงานแล้วเป็นความเสื่อมนี่เป็นความเสื่อมนะกรรมารามตาพัสารามตานิทารามตาสังคีนิการะมตาสีความเสื่อมสี่ประการนี้ ได้บอกว่ากรรมการงานการกระทาดรวยการงานเนี่ยมันถ้าไปยินดีรามาตาความยินดีรามาตารามาตาคำนี้เป็นความยินดีที่ลึกซึ้งเป็นความยินดีในความหมายทางปรมัติไม่ได้เป็นความยินดีกว้างๆอย่างฉันทะหรือปีติหรืออะไ ร, รเยอะคำว่าความยินดีนี้มีมากมายนะไม่ใช่ความยินดีอย่างที่ว่านั้น รามาตาเนี่ยเป็นความยินดีที่ประกอบไปด้วยกิเลสเป็นความยินดีที่ประกอบไปด้วยกิเลสเช่นทั้งสี่คำเนี่ยกรรมรามาตายินดีในการงานที่ประกอบไปด้วยกิเลสพัศรามาตาการพูดคำพูดหรือการพูดพูดที่ประกอบไปด้วยกิเลสยินดียินดีในการพูดที่มันประกอบด้วยกิเลส นื่อนอนนิทารามตานอนที่ยินดีไปด้วยกิเลสแม้แต่อยู่เป็นหมู่เป็นกลุม่มเป็นคณะสังคณิกะสังคณิการามตาการยินดีที่อยู่ในหมู่นี้กลุม่มรวมหมู่รวมกลุม่มไปยินดีในการอยู่เป็นหมู่เป็นกลุม่มคลุกขีทันแปลสังคณิกาประการคลุกขีด้วยหมู่ ดูกันเป็นหมู่หมู่มุมเนี่ยคณิกะเขแปลว่าหมู่หมู่กุมมาแหละคณิกาคณะนะการยินดีที่ในการเป็นหมู่เป็นคณะเนี่ยถ้าไม่เข้าใจก็ไปแปลง่ายๆการยินดีในการอยู่เป็นหมูนะ่เป็นคณะโดยเขาแปลนี้แล้วเขาก็มีความเห็นที่มันสอดคล้องกันสมคลอยกันอย่างหนึน่งว่าต้องไปปลีกเดี่ยวถ้ามายินดีอยู่เป็นหมู่เป็นคณะเนี่ยผิด นักปฏิบัติธรรมไม่ได้บรรลุอรหันต์เขาคิดเขาเห็นเขาเข้าใจอย่างนั้นเลยซึ่งย้อนแย้งกับคําตรัสพระพุทธเจ้าว่ามิตร ด, ดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีทั้งหมดเนี่ยมันเป็นทั้งหมดทั้งสิ้นของาศาสนาเลยมันใหญ่กว่าไอาการยินดีในหมู่คณะอีกแล้วในหมู่คาว่าหมู่คณะเนี่ยมันนึกซึ่งคณะอะไรอารัคณะยังไม่พูด นิธามันยังไม่พูดภาษาภาษาที่แบบว่าคําพูดยังไม่พูดพูดคําว่ากรรมมการงานคนเราถ้าไปบอกว่าไม่ยินดีเราไม่จะยินยินดีในการงานแล้วก็ทําให้คนเข้าใจตื้นๆว่าไม่ยินดีในการงานคนเราก็ไม่ต้องทํางานใช่ไหมเมื่อไม่ยินดีในการงานก็เลยกลายเป็นคนไม่เอาฐานมันเอาเรื่องการงานนะ แล้วก็เรี่ยงเป็นว่าต้องเพ่งปฏิบัติปฏิบัติก็จะไม่คบกับใค ร, ไ ม, ใค ร, คครไม่เกี่ยวกับใครนั่นแหะสังคณิกะด้วยจะสอดคล้องกันเลยไม่เกี่ยวกับหมู่กับกลุม่มคำพวกนี้เนี่ยอาตมาสงสารคนอ่านพระไตรปิฎ ก, กอย่างพาซื่อน่ะอ่านพระไตรปิฎกอย่างพาซื่อแล้วยิ่งมีจิตโนมน้อมไปในทางตรีนี้เดียวไปแบบฤษีแบบรัติ โบราณนนะัติเก่าที่ปีกแยกไปเหมือนพระพุทธเจ้าท่านออกบวชหปีนั่นแหละปลีกแยกไปอยู่ป้ายเข้าป่าเขาทําเป็นพระตุ้มดงเป็นพระ ก, กรรมถานพระที่ทุกวันนี้เข้าใจกันอย่างนี้จริงๆและยึดถือว่าอย่างนี้แหละคือผู้ปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าทั้งแต่ในพระพุทธเจ้าท่านตรัสได้ว่าออกป่าหกปีนะั้นเป็นทางผิดเราไม่ได้บรรลุธรรมด้วยทางนั้นเราไปใช้นี่วิบากเท่านั้นอะไรยืนยันหลักฐานพูดไป เขาก็ไม่กล้าเถียงตรงที่ม่นกล้าเถียงก็ว่ามันมีหลักฐานยืนยันอยู่ในพระเจดพอตแต่เขาก็ยังไม่ค่อยจะสนิทใจไม่ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ครับ <Yeah. S 1> เขาไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ <Yeah. S 1> เพราะอาตมามันไม่มีไม่มีพวกไม่มีอลังการอะไรและความเห็นอันนี้มันเพี้ยนมาไกลานานจนกระทั่งมัน ไปยึดมั่นถือมั่นอะไรแล้วว่านั่นแหละการปฏิบัติธรรมต้องออกป่าอยู่แต่ผู้เดียวอะไรต่างๆนานาก็ไม่ทำงานเมื่อไม่ทำงานนั้นมันจะมีพระโหชนะเหตตายาติผูชนะสุขา ย, ยะโลกาทุกัายยมาญาติได้ไหมได้ไหมไม่ได้ไมไดนะสมมาเกมันตา ก, ก็ไม่มีสมาอาชีพก็ไม่มีก็จะไปอธิบายว่าสมา กรรมตะก็คือการกระทําการกระทําแบบพระแบบภิกษุก็ต้อเอาเนี่ยเอาแต่อยู่เพ่งเพียรนั่งนิ่งอยู่เดียวไม่เกี่ยวกับใครตรวจแต่จิตตัวเองอย่าให้จิตอย่าให้จิตออกนอกกายอะไร อ, อะไรไปอย่างนั้นเนี่นะก็จะเป็นอย่างนั้นไปตลอดนะเรางั้นถ้าเผื่อว่าเข้าใจไม่คมไม่แม่แมนไม่ชัดไม่ตรงอย่างที่ ครขข่าวๆไปเนี่ยทิ้งการงานไปเลยกรรมการงานไปเลยเนี่ยมันก็เจงนะทีนี้ก็ขอขึ้นต้นมาแล้วว่ามันยุคสมัยไม่เหมือนกันยุคสมัยพระพุทธเจ้าเขาไม่ได้มาทำการงานกันขนาดนี้เขามีกินมีใช้ แล้วเขาก็ไม่หลงจะต้องปรุงต้องแต่งต้องกินอะไรมากมายนักดาอะไรกินไม่มีมือกินจุบกินจิบกินเล่นกินหัวกินโกกินแกกินอวดกินอ้ากินโชกกินแข่งอะไรไม่มีไม่มีหรอกยุคนั้นก็ยังไม่มีเลยนะแต่ยุคนี้นะมันโครเรื่องกันละนะเพราะงั้นเขาก็ไม่ต้องทําอะไรมาก การงานเขาก็การงานง่ายๆสบายบาๆวันๆ น, นะไม่มีอะไรมากแต่ทุกวันนี้ในี่ขืนใช้ชีวิตแบบที่ยุคพระพุทธเจ้านะตายลูกเดียวตายลูกเดียวนี่ก็พูดให้เห็นพูดให้เข้าใจชัดๆง่ายๆ ขยายความให้ฟังอย่าจัดเพราะคนที่ยึดมั่นถือมั่นในอะไรแต่โดยไม่เข้าใจกาลันยุตาไม่เข้าใจอัถธัญยุตาพัธธรรมยุตาแม้แต่ปริสันยุตาอะไรต่างๆเนี่ยถ้าไม่เข้าใจแล้วเนี่ยมันก็ไปกันใหญ่มันก็จะพีนอะไรไปรันยุคสมัยต่างๆที่เป็นองค์ประกอบของเหตุปัจจัยต่างๆมันต่างกันไปเนี่ย มันจึงไม่เที่ยงมันจึงไม่คงที่นะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยยกตัวอย่างง่ายๆเช่นว่าการทำงานทุกวันนี้เนี่ยเราใช้เครื่องมือเทคโนโลยีราคาก็แพงไม่ต้องเอาอะไ ร, รหรอกยึดมั่นถือมั่นในตอนนั้นไม่ต้องนานเลยไม่กี่ปีมาเนี่ย ย0่สิบปีผ่านมานี้เท่านั้นแหละพระนี่ถือกล้องถ่ายรูปไม่ได้นะ3 0มสปีผ่านมานี่พระถือกล้องถ่ายรูปไม่ได้เราเอากันตายเลยถือว่าเป็นเรื่องละเมิดแต่ในยุคพระเจ้ามันไม่มีเรากล้องถ่ายรูปถ้าไม่เคยห้ามไม่เคยอนุญาตเลยไม่มีแต่ยึดมัน่นถือมันว่าไม่สมควรถ้าถือกล้องถ่ายรูป ไม่เช่งกันด่ากันผู้ที่ใช้น้ำว่าประสบเขียนอยู่กันในคอลัมน์สละสยามรัฐตายไปแล้วล่ะเนี่ยโอโหเอาตายเลยเห็นพระถือกล้องถ่ายรูปถ่ายนี่เอาตายเลยแต่ก่อนนี่ใส่น่าดูเลยประสบะตอนที่อาตมายังไม่ได้แยกมาก็คบหากันดีเพราะว่า ก็เก่ า, ก, าก็รู้จักกันอยู่พอเอาแยกมาแล้วที่นี่โอโห و, ใส่อัตมาไม่เลี้ยงเลยประสก <c oughs> ใครรู้จักบ้างเขียนในขอลัมสยามรัฐรายวันแต่สมัยเครื่องดิดอยู น, นนะ่ะเก่าๆจะรู้จักแต่ตายไปหลายปีแล้วปรเรียนหกเป็นประเรียนหกก็พยายามที่จะแสดงผลงานอะไรเพื่อ เพื่อจะได้เป็นราชบัณฑิตอาตมาว่างเงนนะรู้เขาทาสิไปจะก็มัน ก, นก็เอาไปเอามาก็ตายสักก่อนไม่ได้เป็นราชบัณฑิตนะแต่ปนนะีนี้หกนะเนี่ยตมายกตัวอย่างให้ฟังอย่างเนี้ยแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยโอ้โหพระเจ้าถือกล้องโทรทัศน์จะว่าจะกล้องถ่ายรูปเลยเดี๋ยวนี้ถ่ายไปได้เลยเลย ไม่มีใครไปว่าอะไรแล้วอย่าว่าแต่กล้องถ่ายรูปเลยโทรศัพท์โทรศัพท์ะอะไรอะอะอะไรละว่าอะอะม่จะแท็บเล็ตแท็บเล็ตแท็บเล็ตถือแพดไอแพดไอเพิรอะไร ก็ไม่มีใครไ ป, ไปว่าอะไรคือรู้แล้วว่ามันเหตุการณ์ยุคนี้เหตุปัจจัยมันมันมันมันต้องใช้งานเผยแพร่ได้ส่งความเป็นประโยชน์ในการศึกษาะอะไรต่างๆนานาแต่แน่แหละมันมีภัยมีโท ษ, ยโษยอยู่ในนั้นจริงแต่สุดท้ายก็ห้ามกันก็ยา ก, ยากแต่ก็ดูแลกันอย่างพวกเราก็ดูแลกันบ้างเหมือนกันปุถิยังพรรษายังไม่สูงอย่าเพิ่งม่ก็มีกฎมีหลักเกณฑ์กัน พ ญ, ญาภาาใิเขตนั้นเขตนี้ถึงค่อยว่า ก, กันมีอินเทอร์เน็ตมีไอ้ผงไอแพดมีโน่นนี่ค่อ ย, อยว่า ก, กันหรือผู้ที่ เ, เห็นสมควรก็ว่า ก, กันไปดูแลกันแม้แต่โทรศัพท์มือถือโทรศัพท์ส่วนตัวอะไรพวกนี้เราก็ว่า ก, กันไปนโดยเฉพาะเรื่องของการเมืองนี่เป็นต้น ยุคพระพุทธเจ้านั้นไม่มีอะไรมากเลยมันสมบูรณาญาสิทธิราชที่กดิกไม่ได้การเมืองมันกดิกอะไรไม่ได้อื่นเลยอย่ามาทําเป็นผู้จะไปออกไปแสดงตัวจะไปทําออกเสียงทําอะไระอะไรเมื่ออย่างยุคนี้มันไม่ได้และมันก็ไม่มีในคําห้ามคําอนุญาตของพระพุทธเจ้าสักอย่างเรื่องของการเมืองเป็นต้นเรื่องของการงานก็เหมือนกันในยุคพรเจ้านั้น สงท่านก็ทำการงานไม่น้อยท่านสร้างกุฏิเองปีนรังคงรางคามาทำอะไรแต่ไร <c oughs> ท่านก็สร้างที่อยู่หรือว่า <c oughs> <c oughs> การงานมันก็ไม่มีมากแล้วตั้งก็มักน้อยสันโดษกันอยู่พอสมควรยุกนนท์แม้แต่แม่มักน้อยสันโดษของท่านแม่มักน้อยสันโดษก็ตามสังคมมันก็มักน้อยสันโดษอยู่แล้วสังคมมันไม่ใช่สังคมหรูหราฟุ่มฟ้าใหญ่โตโออาอัครฐานอะไรมันอย่างเดียวนี้เพราะการสร้างกุเิสร้างที่อยู่ที่พักมันก็เล็กๆน้อยๆบ้านช่องเรือนจานของประชากรประชาชนก็ เล็กๆน้อยน้อยะแล้วสมัยนี้มันคนละเรื่องกันเลยอางนี้เป็นต้นเพราะไม่ว่าจะเป็นด้านสังคมไม่ว่าทางด้านเศรษฐกษิจหรือทางด้านรัฐศาสตร์การเมืองก็าตามเหตุปัจจัยมันต่างไปเพราะฉะ้พุทธิยึดมั่นถือมั่นที่ย่งคงที่อย่างนั้นน่ะนะอัตมาวยังไม่ได้เอาทิศทิหกมา มาข ย, ายให่ผู้ที่ยึดขันอดีตผู้ยึดขันอนาคตอะไรต่างๆพวกนี้ซึ่งก็มียึดสองทิศยึดคันอดีตคือยึดขันอนาคตส่วนยึดคันอนาคตเนี่ยมันฟุ้งซ่านเยเยอะยึดคันอดีตในพวกยึดมัน่นถือมั่นพวก ส, สตตะ ส, ะส่วนใหญ่เ <c oughs> นเพราะงั้นในเรื่องการงานก็ตาม ที่พูดอธิบายอะไรๆ ต, ต่างๆนานาให้ฟังแล้วว่ามันไม่ใช่เดินไปยึดมั่นถือมั่นตายตัวอย่างนั้นคนทุกวันนี้ทำงานต่างกันประชาชนคนแต่ละคนเนี่ยทำงานต่างกันทุกวันนี้เนี่ยเป็นอาตมารเรียกว่ายุคหมาหอบแดดยุคหมาหอบแดดทำงานโอโห่กลางวันกลางคืนไม่ได้หยุดได้พัก สมัยพระจ้ญญานโอ้ท่านจะไม่มีปัญหาอะไรทำงานศิลปะ ก, ก, ก็ตอกแตกตอกแตกไปปีแล้วปีเล่าก็ไม่เป็นไรสมัยนี้มาทำที่อดตายอยู่ไม่ได้นและองค์ประกอบเหตุปัจจัยต่างๆนานามันก็ต่างกันไปหมดนะเพราะงั้นต้องทำความเข้าใจดีๆ ในการยึดมั่นถือมั่นอย่างที่เรียกว่าไม่มีความละเอียดละออนและไม่มีความลึกซึ้งพอก็เพ่งไปนะทีนี้ถามว่าเป็นความเสื่อมหรือไม่พวกเราเนี่เอาตรงที่ว่าถามว่าตระชานกถาคุยกันแต่เรื่องการค้าการเมืองที่จริงสมณาเราก็ไม่ได้คุยเรื่องการค้าอะไรมากมายเรามีแต่คุยเรื่องการสร้าง สร้างงานสร้างอ น, นั้นสร้างอันนี้ขึ้นมาและเราก็ไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อตัวเองหรือ ว, ว่าเพื่อที่จะเอามาหาหลาบยอดสัตว์โดยเฉพาะอโศกเราเนี่ยไม่เหมือนที่อื่นเข า, าวัดวาที่อื่นเขาก็ไม่เหมือนกันกับเราเมื่อสีเราสร้างเราทํานี่เราทําเพื่ออะไรเราคุยกันจริงเรื่องการงา น, นาเราคุยกันจริงๆทีนี้ ซ่อนลงไปในการงานเนี่ยอันนี้แหละเป็นเรื่องที่เข้าใจกันยากมากเลยการงานทุกการงานหรือกรรมทุกกรรมกรรมทุกกรรมคือการปฏิบัติธรรมเพราะปฏิบัติธรรมของพระเจ้านี่มรรคองแปดปฏิบัติในกรรมทุกกรรมเลยมโนกรรมวจีกรรม กรรมนตะคือกรรมทุกอย่างการกระทาทุกอย่างนานาประการและแม้อาชีพอาชีพเลี้ยงตนในมรรคองแปดสมณะก็มีอาชีพเลี้ยงตนอาชีพเลี้ยงตนคืออะไรสมณะอาชีพเลี้ยงตนคือทำงานให้เป็นประโยชน์พระหุชนะหิตายะแก่ชนหมู่มาก เพราะฉะนั้นผู้ที่สอนได้ก็สอนไปก็เป็นประโยชน์ทางธรรมเมื่อเป็นประโยชน์ทางธรรมไม่ได้ก็เป็นประโยชน์ทางอื่นได้และคนก็หาว่าพระเนี่ยไปรับใช้ฆรวาสไม่ได้อัตามาก็ขยายความแล้วรับใช้คืออะไรรับใช้คือผู้ที่ทํางานแล้ว ก็ได้ค่าจ้างหรือสร้างอะไรขึ้นมาแล้วก็เอาไปขายแลกเปลี่ยนมาให้ตนเองคืนนั่นเรียกว่าเป็นการไม่ได้สละไม่ได้ทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นเป็นการรับใช้แม้แต่เทศรับค่าตอบแทนก็คือการรับใช้ แลกเปลี่ยนการกระทําแลกเปลี่ยนการงานแลกเปลี่ยนการทํางานแลกเอาค่าอะไรแลกเปลี่ยนการทํางานถ้าจะให้ลึกซึ้งแล้วเนี่ยอย่าว่าจะแลกเปลี่ยนด้วยวัตถุเงินทองแลกเปลี่ยนด้วยลาบด้วยยศมันก็รับใช้ถ้าจะให้เลือกแลกเปลี่ยนด้วยการอยากได้สรนเสริญยกย่องไม่ต้องพูดกรามเลยแลกเปลี่ยนกรามเน่ยมัน ธาตชัดๆเลยแล้วแม้แต่สันเินก็ยังเป็นการรับใช้แต่ถ้าทำสิ่งที่มันควรทำอะไรวินัยท่าหนห้ามไม่ให้ทำเราก็ไม่ต้องไปทำอะไรที่มันไม่ห้ามในวินัยแล้วไม่บัญญัติไว้เราก็ทำได้ บางอย่างอาจจะไม่ควรเพราะมันไม่มีในยุคพระเจ้าท่านก็ไม่ได้บัญญัติใมว่าห้ามหรืออนุญาตเราก็ใช้มหาประเทศตามที่ท่านตรัสไว้อะไรควรเราก็ทำอะไรไม่ควรเราก็พิจารณาเมื่อไม่มีห้ามไม่มีอนุญาตแต่สิ่งนั้นควรกับสิ่งที่มันเข้ากับสิ่งที่ควรก็ต้องใช้มหาประเทศพิจารณา เราก็ทำาเราทำงานช่วยประชาชนเป็นพระหุชนะหิตายาปรชนะสุขายะโลกานุกรรมปายะเราไม่ได้ไปรับใช้ประชาชนอะไรเลยไม่ได้ทำผิดวินยัยไม่ได้ทำผิดศีลผิดวินยัยเป็นอภิอภิเอ่อเป็นอภิสมาจาร เป็นการประพฤติไม่ใช่บาปสมาจาร์เป็นอภิสมาจาร์ด้วยซ้ํามันเป็นการพิสูจน์ยืนยันความเป็นพระจ้าห้ตายะพุทญาสุขา ย, ยะโลกาอนุกรรมปายะเป็นผู้รับใช้ประชาชนยิ่งยุคนี้ยุคประชาธิปไตยพอเราใช้รับใช้ประชาชนอย่างบริสุทธิ์ไม่ได้ไปทำเอาลาบยศสรรเสริญเอาอะไรแลกเลยไม่ได้รับใช้อัตมานิยามคําว่ารับใช้แล้ว ไม่ได้รับใช้ใครทำงานช่วยเกื้อกูลสงเคราะห์ช่วยเหลือไม่ใช่รับใช้เป็นเรื่องหน้าบูชาหน้าเคารพด้วยซ้ำไม่ใช่คนใช้ที่จะต้องเอาค่าจ้างไม่ใช่ไม่ใช่คนใช้ที่จะเอาค่าจ้างคนรับใช้ที่จะต้องได้รับค่าจ้างค่าของค่าอะไรไม่ใช่เราทำให้ สร้างสรรค์ให้เป็นประโยชน์คุณค่าไอ้นี่ประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นของการงานที่เข้าใจกันยากมากเลยถ้ายิ่งลึกไปถึงกรร ม, มารา ม, มาตาเราทำด้วยกิเลสไหมกิเลสอยากได้อามิตตอบแทนะกรตรงตร ง, ตรงแล้วว่าเรารับใช้แม้แต่ก็กิเลสที่มัน มันกลางมันละเอียดขึ้นไปอีกในเชิงนั้นเชิงนี้ซับซ้อนขึ้นมาอีกก็ตามเราก็ต้องเรียนรู้เพราะไปยินดีไปติดไปยึดนี่ก็เป็นการเป็นกรรมรามตาแหะติดยึดในการงานเพราะฉะนั้นเราทําการงานนี้บางทีมันก็จะถนัดบางทีมันก็สนุกบางทีมันก็จะไม่ไม่อยากปล่อยวางงานนี้ ก็เป็นการเกินไปติดยึดเกินไปก็เป็นกรรมรามตาเป็นอารามตาไม่ว่าจะเป็นสมณะภิกษุหรือครวญที่ปฏิบัติธรรมมุ่งนิพพานเป้าหมายเดิมมุ่งนิพพานเป็นอัถถัญญาชัดแท้ตรงไม่เพี้ยนอะไรแต่เวลาเราปฏิบัติเวลาเราประพฤติการงานการกระทำพวกนี้ ค า, ารวะก็มุ่งนิพพานเหมือนกันเป็นโซดาเป็นสกิทาเป็นอนาคาเป็นอนรหันได้เหมือนกันไม่ได้แปลกเปลี่ยนอะไรกันกับ น, น, นักบวชผู้มาบวชเพียงแต่เพียงผู้มาทำแล้วมันมีอภิสิทธิ์หลายอย่างบริสุทธิ์โด ด, ดสังขัดโดยส่วนเดียวสมมุติว่าไม่มีแล้วไม่สะสมด้วยรูปธรรมแล้วโภคคัขันธ์ภหายะยาติปริวัตตังภหายะ ไม่มีพี่มีนอ้องไม่มีลูกไม่มีร้านไม่มีใครจะเลี้ยงจะดูแลสัพสมบัติสละออกหมดแล้วพกคักขันตาปหายะแล้วชีวิตก็ทำงานช่วยสังคมไปเป็นพระพุทธเจ้าหิทยะพระุทธเจสุขายะคุณไม่เก่งทางธรรมไปพูดธรรมะบรรยายธรรมะให้ได้ไม่ไม่ได้ไม่มีธรรมะไม่มีอะไรจะให้แก ให้แก่ผู้ที่ให้ข้ า, ขาวเราเลี้ยงเราไว้ประบปฏิปทาไม่ชีวิตกาชีวิตเราเนื่องด้วยผู้อื่นเขาดูแลเลี้ยงไว้เงินทองซื้อกินเองก็ไม่มีปลูกข้าวปลูกกินเองก็ไม่ได้ท่านตัดมือตัดไม้มาแล้วเสนาธาเคยอธิบายว่าทำไมพระพุทธเจ้าถึงเอาการบินธบาตให้แก่คนของท่าน ให้บินตะบาลเลี้ยงตนได้ปรีแข่งจนตายท่านกับชับกำชาเลยพึ่งตนนึกปรีแข่งบวชเสร็จต้องให้เลยต้องให้กำชับกำชาเลยข้อหนึ่งในสี่ที่เรียกว่าอะไร นิสัยสสี่ต้องบินทาบาทเลี้ยงตนได้ปรีแข่งจนตลอดชีวิตเถิดอุปชาจะต้องมอบนิสัยสีนี่นี่ไซสสีต้องอะไรบ้างอ่ะหนึ่งต้องอหนึ่งบึกอาหารบินทาบาทสองนอนโคนไม้สาม ใช้ผ้าสาไปใช้ผ้ า, างสุกุลสีกินเยี่ยวอาอชัดๆทำไมหมูดเมเอิดเขาไม่รู้เรื่องหมูดมเน่าเลยนะกินน้ำหมูดมเนา่าดื่มน้ำหมูดมเนเป็นยา น, นิสัยสี่เลยท่านให้ภิกษุทุกรูปต้องมีต้องอุปชาต้องให้นิสัยสี่น่กรเลยนะ เพราะงั้นเราจะมีชีวิตเป็นสมณะมาบวชจริงๆเนี่ยเมื่อมีเงื่อนไขว่าไม่มีเงินแล้วนะประชาชนทั้งหลายไม่ได้สะสมเงินซื้อก็ไม่ได้ขายก็ไม่ได้แล้วนะและสอนก็ยังไม่เป็นคุณก็ต้องทำงานนี่เป็นสิ่งที่ให้เกิดประโยชน์คุณค่าเพื่อที่จะเป็นสิ่งตอบแทนไม่งั้นคุณก็เป็นหนี้ตายหรือเราก็ต้องเป็นประโยชน์พระอุเชนทตายะตามที่มัน ม, มันควรจะต้องเป็นเพราะสิ่งใดไม่ผิดปินไนสิ่งใดที่เหมาะควรกับมหาประเทศเราทําได้แล้วเราก็ไม่ได้ไปรับใช้คา ร, รวาสอะไรอย่างที่กล่าวแล้วอธิบายแล้วแต่เพีย้ยนไปหมดเป็นมองเป็นแบบสังคมโลกโลกีไงผู้รับใช้คืออะไรผู้รับใช้ทั้งโลกคือยังไงไปมองอย่างแบบโลกีมองแบบอย่าง ผู้รับใช้ทางโลกๆอ่ะสอกๆๆๆสอกอกเหมือนทาตสไม่ใช่นะเราไปทํางานช่วยสังคมเนี่ยเขากราบไหว้เรานะไม่ใช่ว่าเราไปไหว้รับค่าจ้างจากสังคมนั่นคือคุณผู้รับใช้ใช่ไหมเราไม่ได้ไปกราบไหว้สัรับใช้อย่าว่าแต่ตำนานเลยแม่แต่พวกคุณคารวาะเองและไปทํางานให้เขาเนี่ย เขากราบไหว้พวกคุณนะใช่มแต่คนอย่างว่าคนถือดีเขาไม่กล้าวไหว้อะไรแต่ว่าถ้าสัมมนาแล้วเขาจะเข้าใจชัดเลยพูดที่เข้าใจผู้ไม่เข้าใจก็เพ่งโทษอีกแล้วว่าเอ้ยมาทำงานงี้ได้ไงเป็นพระก็ต้องไปนั่งหลับตาสมาธิไปนั่งนู่นมัมเพนมต้องีได้ไงมันเลอะเทอะไปมันก็ยากนะเข้าใจยากมันก็เป็นไปนะเพราะงั้นจะ บอกว่าเราคุยกันเนี่ยตรงประเด็นที่ถา ม, ม า, าเป็นติระชานกถาหรือเปล่ามีมีอันหนึ่งอยู่ในพระตรปิฎกข้อหนึ่งว่าการพูดติระชานกถาที่บอกว่าพูดเรื่องข่าวเรื่องน้ำเรื่องบานเรื่องเรือนเรื่องราชาเรื่องอํอออามา์เรื่อ ง, อ, อ, ง อ, อ, อะไรต่างๆนานาสารพัดรวมแล้วเนี่ย ทุกอย่างเลยเรื่องไม่แต่เรื่องผู้หญิงเรื่องผู้ชายแล้วก็พาซื้อไปไปบอกว่านี่พูดไม่ได้นี่เป็นติระชานกระถ า, าลองลองเอามาดูซิตัวหนังสื อ, อเป็นขานจากติระชานกระถ า, าเช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวกฉันพ้ชนะที่เขาให้โดยศรัทธาแล้วตรงฉัน อาหารที่เขให้โดยศรัทธานะเพราะว่าเราต้องต้องมีปรปติปทาเมชีวิตกล้าต้องมีชีวิตเขาให้เขาเลี้ยงไว้ไม่เหมือนเดี๋ยวนี้มันไปหมดแล้วพระเจ้าไม่ต้องไม่เหมีปัญหาเราซื้อกินได้หมดไม่ซื้อไม่กินก็มีเจ้าจำนําให้เลี้ยงดูอยู่อย่างโอโ้ขุนอย่างอ้วนเลยนะภิกษุเว้นขาดจากติระชานคาถาเช่นอย่างที่สมณพราหมณ์บางจําพวกฉันปโฉชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังประกอบดิระชานติระชานกถา เห็นป่านนี้คือฟังดูนะกล่าวอยู่ในนี้แล้วเขาก็ะพาซื่อพูดไม่ได้ทั้งนั้นนะเรื่องมหาอมาตเรื่องกองทัพเรื่องไัยเรื่องรบเรื่องข้าวข้าก็พูดไม่ได้นะเรื่องน้ำเรื่องผ้าเรื่องที่นอนเรื่องดอกไม้เรื่องของหอมเรื่องญาติเรื่องยานยานป่านเรื่องบ้านเรื่องนิคมเรื่องนคร เรื่องชนบทคือเรื่องบ้านนอกเรื่องในเมืองอะไรเรื่องบุรุษเรื่องสตรีไม่ได้พูดเรื่องคนผู้ชายคนผู้หญิงก็ไม่ได้คือเรื่องคนกล้าหาญเรื่องตรอกเรื่องท่าน้ำเรื่องตรอกซอยอะไรก็พูดไม่ได้ถนนหนทางพูดไม่ได้ท่าน้ำก็ไม่ได้คนที่ล่วงรับไปแล้วพูดคนตายก็ไม่ได้นะเรื่องเบตเเลตหมายความว่าเอ็กซตราทุกอย่าง ละไว้ในฐานที่เข้าใจเลยพูดไม่ได <uç> ้ทางนั้นเลยเรื่องโลกก็พูดไม่ได้เรื่องทะเลก็พูดไม่ได้เรื่องความเจริญก็พูดไม่ได้เรื่องความเสื่อมก็พูดไม่ได้จะพูดอะไรวะเรื่องความเสื่อมก็พูดไม่ได้เรื่องความเจริญก็พูดไม่ได้ไม่ใช่นี่ตาบพระพุทธเจ้า ไม่ใช่ถูกแล้วเขาแปลมาตรงพยัญชนะแต่ไม่เข้าใจว่าติรชะชันกถาคืออะไรเหมือน ก, อน ก, กับผัดเบอกรกรรมมรามาตามกี้เนี่ยการไปยินดีในการงานที่ยินดีด้วยกิเลสเป็นกิเลสติระชานกถาก็คือการพูดที่พูดเรื่องข่าวเรื่องน้บพูดได้หมดทั้งนั้นเนี่ยไอ้ที่ตัดมานั่นะนนนทุกคำทุกความทุกอย่างที่ว่านนั้ น, นพูดได้หมดแต่พูดด้วย กิเลสที่เป็นดิฉานกะถาหรือเปล่านี่ต่างหากเราคือความหมายเพราะฉะนั้นพาซึเข้บอกว่าพูดไม่ได้เอาแล้วพูดความเสื่อมความเจริญยังไม่ได้แล้วจะไปพูดยังไงคนนี่ยังนะนะดีนะเนี่ยมันดีนะนี่มันเสียนะนจะเสือ่มอมอ่าใช่อย่าพูดแบบโงโงๆโโโก็ได้ง่ายๆดิฉานกถาอย่าพูดแบบคนโง พอกลับพูดไปแปลว่าพูดได้ไม่ได้เลยนั่นคนคนที่พูดคนนั้นได้ได้ัฉานแล้วเดรัจฉานกระถาก่อนตั้งต้นเลยแปลพาซื่ออย่างที่ว่านพูดเรื่องผู้ยิ่งก็ไม่ได้ผู้ใช้ก็ไม่ได้เรื่องเสื่อมก็ไม่ได้เรื่องิ้เรื่องดีก็ไม่ได้โอ้เราจะไปพูดอะไรสอนอะไรใครก็ได้อะคนก็พูดไม่ได้ผู้ยิงก็ไม่ได้ผู้ใายก็ไม่ได้สตรีก็ไม่ได้บุรุษก็ไม่ได้พูดไม่ได้อ่า พ่าเราจะพูดเรื่องคนก็ตามจะพูดเรื่องผู้หญิงก็ตามผู้ชายการก้าวหันการแข่งแรงการเรื่องภัยเรื่องรบเรื่องกองทัพเรื่องอัมมาศเรื่องข่าวเรื่องน้ําเรื่องผ้าเรื่องที่นอนเรื่องความเสื่อมความเจริญเรื่องโลกเรื่องทะเลเรื่องอะไรก็แล้วแต่สารพัดพูดแล้วคุณพูดอย่างคนงงงจากที่สิ่มารว่าชัดพูดอย่างเดริฉาน่ะ หรือให้ชัดลงไปอีกพูดขวางทางนิพพานหรือให้ดีพูดส่งเสริมกิเลสนั่นแหละดิเรชานกถาพูดส่งเสริมกิเลสนั่นแหละดิเรชานกาถาถ้าพูดขัดเกลากิเลสไม่ใช่ดิเรชานกถาถ้าพูดไม่ขัดไม่ไม่ได้พูดขัดเกลากิเลสดิเรชานคถา ไม่ใช่ข้อผัยพูดแม้โท่สับสนไม่ใช่เดรัจฉานกรตาเป็นคําเจริญเป็นคําดีเป็นคําพรเป็นคํา ป, ประเสริฐนะเพราะพูดยิ่งพูดอย่างขัดเกลากิเลสเท่าไหร่นั่นแหละยิ่งไม่ใช่เดรัจฉานกรถาจะเป็นพูดซึ่งเหล่านี้ได้ยังไงก็ต้องพูดทุกอย่างที่ยกตัวอย่างมานี่แหละท่านก็ยกตัวอย่างมาแล้วก็แต่คําพูดเหล่านี้เรื่องเหล่านี้คุณพูดกันแล้วเนี่ยนะ คุณพูดกันแล้วเนี่ยมันเป็นไปเพื่อขัดเกลากิเลสหรือเป็นไปเพื่อสงสมกิเลสถ้าสังสมกิเล ส, สเลนั่นแหละดิระชานคาถาชัดนะเข้าใจชัดดีอย่างนี้เป็นต้นเพราะการกระทำการงานแนเวลาพูดคุยกันด้เรื่องงานพูดด้วยใครก็แต่เรื่องอะไรอะไรต่าง ๆ, างๆนานาเรื่องการเมืองเป็นติระชานกาถาหรือเปล่านั่นแหละก็เรื่องการเมืองเรื่อง กองทัพดึงรบดึงข่าวดึงน้ําเรื่องอํามาดดึงผ้าดึงที่นอนดึงดอกไม้ของหอมดึงยาดึงยาดึงบ้านทดึงเดือนเรื่องนิคมดึงนครดึงชนบทบันนอกในกรุงอะไรก็แล้วแต่ดึงคนตายแล้วดึงคนล่วงลับไปแล้วดึงตรอกดึง่าน้น้ำดึงบุรุษดึงสตรีดึงกล้าคนกล้าหาญดึงเบ็ดเตล็ดดึงโลกดึงทะเลดึงความเจริญดึงความเสื่อมก็พูดได้หมดนะ แต่พูดแล้วเป็นเจริญฌานกรทาหรือไม่นะเพราะว่าคำตอบอันนี้ก็ตอบไปแล้วนะหมายถึงเจริญฌานกรทาหรือไม่บอกว่าไม่เห็นคุยกันเรื่องธรรมะเลยเมีมุมขึ้นมาไม่เห็นพูดคุยกันเรื่องธรรมะเลยอาตมาว่าชาวอาโศกนี่คุยกันเรื่องธรรมะจนหนวกหูนะ อย่าว่าแต่สมณะเลยแม้แต่คารวะแต่จะาประคุณเพอไม่ได้แล้วจนต้องหาเรื่องเดินเลี่ยงไปเพราะว่าเทศไม่จบเทศกันแต่ละคนแต่ละคนจะาประคุณนะประมัดด้วยนะไม่ได้เทศธรรมดาหรน้อยๆไอ้ตําๆเนี่ยนะเทศในระดับอภิธรรมเลยเทศในระดับปรามัตดเลยโอ้โหใช่เบา เมือบอกว่าทำไมไม่เห็นพูดเรื่องธรรมะกันเลยนั่นจะปฏิบัติธรรมกันหรือเปล่าเห็นไหมไม่ง่ายเลยที่จะเข้าใจว่าปฏิบัติธรรมคืออะไรปฏิบัติธรรมคืออะไรเห็นไหมเพราะฉะนั้นการเข้าใจผิดโดยได้ยึดถือกันมาผิด เรียนกันมาผิดจนผิดจนเพี้ยนจนไกลามาถึงวันนี้เลยอาตมาก็เข้าใจเขานะว่าไม่ปฏิบัตินังเป็นการปฏิบัติทำกันหรือเปล่าเอาแต่คุยกันคนต้องไม่คุยกันเลยเนี่ยมอยีอันหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านตัดถามว่าภิกษุที่จำรรษาเสร็จมาก็ามาฝ่าพระพุทธเจ้า พระเจ้าก็ตรัสถามว่าเป็นไงอยู่สุขสบายดีกันสงบกันดีไหมอยู่กันทำบันษาร่วมกันสงบกันดีนะท่านเหล่านั้นก็ตอบว่าส ง, สงบกันดีพระเจ้าค่ะเออทำยังไงสงบทุกคนไม่มีใครพูดกันเลย น, นี่มีสิทธิ์จริงๆในสูตรนี้อาตมาจำสูตรไม่ได้ทุกคนไม่พูดไม่พูดกันเลย ท่านก็บริภาษให้เลยโมขะบุรุษใครสอนเธอไ่าไ ม, าามา่พูดกันเห็นั้มมันลดสุดโตมันเลยเถิดมันผิดเพี้ยนไปไกลเลยพูดกันได้อย่าพูดติริชานกระถาพูดธรรมะท่าน พูดกันคุยกันะนัมีในพระเตวิปิฎกเลยคุยธรรมะกันคืนยังรุ่งภิกษุคุยกันคืนยังรุ่งแล้วมันคานแย้งกันกับทีบอกว่าอย่าพูดกันมันคานแย้งกันไหมแล้วอีกอันหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านโอ้โหสันเสริญสงอยู่กันแม่ เป็นหมูเนี่ยแม้แต่เนี่ยอาตมาเพิ่งจะตำํำขลามไม่เข้าเข่งอลัมไม่เข้าเนี่ยกำลังเอาอาณาปาณสติมาแม้แต่ในเนื้อหาของอานาปาณสติขึ้นต้นท่านก็บอกว่าหมูสงนี่โอ้โหหน้าเลื่อมใสอยู่กันอย่างเงียบอยู่กันเป็นหมู่เยอะเงียบเสียงในปัญญนาว่างเงียบเสียงแต่ก็มีพร่ำสอนกันเงียบเสียงพร่ำสอนมันมี ภาษาคําพูดกันไหมบางคก็พั่มสอนกันอยู่สิบรูปบาง20สิบรูปบาง40บบางท่านเทระพระเทระบางท่านก็สอนอยู่40สิบรูปบางเนี่ยพวกโอวาทพั่มพั่มบางพวกก็โอวาทพั่มสอนกันยี่รูปบางบางพวกก็โอวาทพั่มสอน30ิรูปบังบางพวกโอวาทพั่าสอน40ิรูปบางแล้วเงียบเสียงเนี่ยมันพั่มสอนกันทั้ง30 40ิรูปเนี่ยไม่เงียบเสียง เพราะคำว่างเงียบเสียงอัตมาไม่ได้ตรวจบาลีเราว่าท่านใช้คําว่าอะไรเพราะคำในยะที่ลึกซึ้งก็คือว่าท่านสงบท่านไม่ไปพูดในเรื่องเดริฉานคถาหรือว่ามีคำพูดที่มันไร้าสาระเป็ น, มนไม่ไปเป็นไปเพื่อความละนายคลายอ่าอย่างนั้นเป็นความสงัดเงียบเสียงเป็นคําที่น่ารื่นรมเป็นคําที่น่าฟังเหมาะสมถูกต้องนี่เป็นในยะที่ลึกซึง้ง ไอคนพาซื้อก็ซื้ออัตมาเห็นใจคนอ่านพระเตปิดกเห็นใจจริงๆอ่านพระเตปิดกแล้วก็ติดโอ้โหทราบซึ่งแล้วมีจิตโน้มไปในทางไม่ต้องการคลุกคลีกับบุคคลไม่ต้องการพูดกับใครไม่ต้องการสูงสิงอยู่คนเดียวงบอย่างนี้แหละอัตมาสงสารจังเลยแล้วมันก็มักจะลําบากลําบากตรไปอ่านพระเตปิดกแล้วโอ้โหยิ่งแล้วยิ่งพระเตปิดกเถรวาทนี่นะ เป็นพระไตปิดกที่มีพระกรสปะเป็นประธานเอียงไปข้างฤาษีอย่างหนักด้วยเพราะฉะนั้นแล้วการแปลนี่ก็บำัพึ่งพระแปลยุคนี้พระไตปิดกนี่แปล2500พระสสอง 2500, ได้แปลอย่างสมบูรณ์เป็นฉบับหลวงที่เป็นหลักอยู่ทุกวันนี้ฉบับอื่นๆก็ตามมานอกนั้นก็มีของออของใครอะ นะยังยังยังปฏีหลังด้วยซ้ำไปจุลานะ่ะของมหาปุ้ยนะทำประพักดีพิมพ์ขายกันไม่ครบนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็คนนั้นแปลบางคนนั้นแป ล, แป ล, แ, ปลแปลมัางไ ม, ไ, มไม่ครบแต่สมบูรณ์ที่สุดก็พศสอ0พฉบับก็เพิ่งมาแปลเมือ่สอสพศส 2,500 ซึ่งมันความเห็นที่บอกว่านักปฏิบัติธรรมนี่ต้องออกป่าต้องอะไรมันเพียไปหมดแล้วเป็น กรองอนานากะเป็นตะพอนอานากะไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นคำแปลจึงไปหนักไปในทางที่ยึดถือกันว่าต้องพระป่าต้องออกอยู่แต่ผู้เดียวต้องอะไรอะไรพวกนี้ไปกันใหญ่เลยซึ่งผู้ที่เข้าใจทิศนี้และอ่านพระตปิฎกจะทราบซึ่งต้องสงบเงียบไม่ต้องรรงลำบาก น, นี่คือสายเทรวาทพระไตรปิฎกฉบับนี้ของเถรวาท ส่วนพระจักรปดของทางมหายานก็โอ้โหชงเชงชงเชงชงเงช ง, เงมาพูดกันสโลกต่างๆวิจัยวิเคราะห์เหตุผลต่างๆโอ้โหพวกปัญญาฟุ้งฝั่งหนึ่งนี่ปิดปากเนี่ยฝั่งหนึ่งนี่โอ้โหนพูดกันฝอยกันขบคิดกันวุ่นไปหมดอีกอันหนึ่งหยุดคิดหยุดพูดหยุดอะไรนิ่งมันโต่งสองอย่างเนี่ย เพระเาะฉะนั้นท้าไม่ลึกซึ้งไม่เข้าใจจริงๆแล้วหน้าองศารพระแะพิดกเนี่ยหน้าองศารคําสอนของท่านไม่ได้ผิดนะแต่มันมีเหตุปัจจัยบ้างผู้แปลก็เอาตามความเห็นของตนเองใส่แปละนะจึงตัวเองก็ยังไม่มีธรรมะที่จะลึกซึ้งพอหาคำํำจะมาใส่เหมาะไม่ไ ม, ไม่ไม่เคยได้นะมันก็ได้ตามความเห็นของตนมันก็ได้ขนาดนั้น เพรอาตมาถึงเจอหลายๆอันก็ต้องตามบาลีพอตามในบาลีอาตมาก็ดูบาลีอีกทีหนึ่งทั้งๆไม่เก่งบาลีแต่พ อ, พอใช้ขันในอดีตบ้างอะไรบ้างนี่แหละตามภาษาธรร ม, มาซึ่งมันก็ยากที่จะยืนยันกับใครพูดกับใครได้ยากสรุปแล้วเรื่องของ ที่ถามมาเนี่ยอาตมาก็ใช้อันนี้เป็นเหตุปัจจัยในการบรรยายธรรมะซะตอนนีน้เราปฏิบัติธรรมโดยการรู้ว่าเราปฏิบัติธรรมตามหลักโพธิปักขีธรรม3าสบดนั่นแหละโดยการพิจรารณากายในกายเป็นเวทนาในเวทนาเป็นจิตในจิตเป็นธรรมในธรรมเป็นแล้วก็สํารวมอินทรีย์เป็น ป่าหานสมัคประธานสี่เป็นเกิดผลรู้มีสมาธิสิรู้ว่าทาทานก็ดีสละก็ดีแล้วเป็นสละแบบในทาเพื่อให้ผู้อื่ น, นให้อย่างไรเราก็ต้องทําให้อยู่เหมือนกันเป็นสมณะเป็นนักบวชก็ให้หรือเป็นผู้ปฏิบัติธรรมทุกคนนั่นแหละก็เหมือนกันน่ะให้จริงหรือเปล่าทานอิอ ท, ทินนังหรือเปล่าปฏิบัต เหตุปัจจัยวิธีการปฏิบัติอัธิยิตังหรือเปล่าอธิหุตังหรือเปล่าแล้วตรวจจิตตัวเองเป็นหรือเปล่ า, ว, าว่ามันมีมรรคมีผลจริงไหมนะและก็รู้ว่ากรรมกริยางตัวเองควบคุมกรรมกริยาสุกตะทุกตาหนังกรรมมารังพลังวิปากโกเพราะมีผลมีมีบากที่จะต้องอาศัยเราทําได้ไหมผลวิบากอาศัยกับบุญ ผิบากอาศัยนั้นคือกุศลกับอกุศลอกุศลก็ต้องอาศัยคุณคุณทําอกุศลธรรมอกุศลกรรมก็เป็นวิบากให้คุณอาศัยกุศลก็อาศัยอกุศลก็อาศัยแต่บุญกับบาปนั้นไม่ใช่เครื่องอาศัยแต่เป็นเครื่องทำให้เราพ้นทุกทําให้เราเจริญแท้ทําให้เราหมดโทษบดภัยชําระ ก, กิเลสเป็นตัวการใหญ่บุญและบุญ กบบาปะเพราะเราปฏิบัติถูกไหมสุกตะทุกตานังกรรมมาณังกรรมต่างๆที่เราทำเนี่ยทุกกรรมทุกปริยากายกรรวิจีกรรมมโนกรรมรู้จักกายสังขารจิตสังขารวิจีสังขารรู้จักสังขารไหมพ้นอวิชามั้งไหมเข้าใจสังขารต่างๆสังขารต่างๆก็เป็นสังขารทางจิตและเป็นหลักแม้คําว่ากายสังขารก็อธิบายมาแล้วจิตสังขารก็ต้องเข้าใจว่า อันนี้เลื่อนจากรกายสังขารแล้วองค์ประชุมข้างนอกเป็นอนาคามีแล้วในการมาพบองค์ประชุมข้างนอกแต่วกายสังขารมันปรุงแต่งมันก็ไม่ทุกแล้วไม่มีโทษมีภัยแล้วข้างนอกพระอนาคามีขึ้นไปเป็นต้นหรือจิตสังขารคุณก็ทําต่อไปวจีสังขารก็อธิบายไปแล้วว่าวจีสังขารก็คือจิตแท้ๆมาใากวัจีกรรมเป็นวจจีสังขารก่อน เพราะการปฏิบัตินี่รวก็ดับก่อนเลยแต่กายสังขารค่อยดับตามจิตสังขารก็ค่อยดับทีหลังเพื่อนอะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ชัดเจนในสังขารต่างๆคุณสามารถรู้ในคําสอนรู้เจ้าทุกพยัญชนะและเราก็รู้สภาวะอย่างนี้ดีแค่ไหนถ้าดีคุณก็ปฏิบัติไปไม่ดีก็เคยฟังปริยัติอตมาก็ยังรู้สึกอยู่เมือไหร่ว่าสมณะพวกเราเนี่ยไม่ค่อย มาฟังทำเท่าไหรนะ่แต่วันนี้ก็จะค่อยชั่วยังมีต้งเยอะเหมือนกันอย่างน้อยก็สมณะใหม่แล้ววะ <laughs> บทวันนี้ไม่มาฟังทำก็แย่แล้วแล้วเามื่อวานนี้เนาะไม่ใช่วันนี้บวทมาหนึ่งวนันแล้ะเป็นสมณะหนึ่งวันก็ยังพอเห็นหน้าเห็นแต่บ้างวันนี้มีสามสี่รูปสรรมะที่นะีนะ่ตนะั้งแต่ยี่สิบกว่ายี่สิบก็รูปอะอะ หรือเราถ้าจะไปแอบดูที่ไหนก็ไม่รู้นะทำไมไม่มาดูสดๆนะได้รับน้ำมนต์มันนั่งไกลๆน้ำมนต์มาถึงนะ <c oughs> นะมันจะเราสามารถปฏิบัติได้ลืมตาปฏิบัติมรรคองค์แหรือปฏิบัติโพธิปักกีธรรม3าบนี่แหละเข้าใจเป็นสมาธิฐิบได้ รู้จักประสัตตอุปปาติกะคืออะไรและองค์ประชุมของกายสัญญาถูกเพราะฉะนั้นทุกเวลาวิญญาณทิฏฐิเราปฏิบัติอยู่นี้เราก็รู้จักสัตว์ความเป็นสัตว์กายอย่างนี้เป็นโลกีกายอย่างนี้ทำองค์ประชุมอย่างนี้เป็นกายของโลกุตระกายของอชีวะชีวิตตินทรีรู้ว่าชีวิตตรูปนี่เป็นชีวิตรูปของสัตว์ที่มีชีวิตตินทรียเป็นโลกียะเป็นสัตว์ ระดับนั้นสัตว์นรกสัตว์เทวดาเทวดาโลกีเทวดาโลกุตระเรื่องของชีวิตชีวิตตินสีทั้งสิ้นเลยแล้วก็อ่านออกอ่านได้อยู่อ่านไม่ได้ก็พยายามมาฟังมาเรียนรู้แล้วก็ไปปฏิบัติตามนั้นซึ่งอาตมาก็มั่นใจที่พูดที่บรรยายเนี่ยว่าเป็นสัมมาทิฐิคำต่างๆความต่างๆในพยัญชนะของคำสอนพระเจ้าเอามาอธิบายอยู่เนี่ย ซึ่งมันยังดียังมีหลักฐานต่างๆพวกนี้มาให้เราได้ศึกษากันก็ได้ประโยชน์กันจริงๆจังๆเพราะว่าพวกเราเนี่ถึงแม้ว่าจะฟังแล้วท่องพยัญชนะไม่ได้แต่มันพอเข้าใจถึงความหมายเมื่อเข้าใจความหมายแล้วเราก็เออสภาวะกับความหมายมันเป็นอย่างนี้แม้ตัวพยัญชนะอัตมาเองก็ยังจาผิดจาถูกพูดผิดพูดถูกคือพยัญชนะบาลีอ่ะไม่เคยคล่อง แล้วคนที่ยังไม่ถนัดก็ยังไม่คล่องแต่มันไม่ได้หมายความว่าเราไม่สามารถที่จะรู้สภาวะพอบอกมาอาตมาพูดบาลีคำหลายๆคำปุ๊บพวกเราฟังจำไม่ได้หลอกท่องไม่ได้แต่พอพูดหรอว่าอ้รู้เข้าใจแล้วอันนี้หมายถึงอันนี้นี่เข้าใจแล้วใช่ไหมมันเยอะที่อาตมาพูดคําบาลีเนะี่ยเยอะแต่พวกเราท่องไม่ได้ขนาดที่อาตมาหลอกขอเขอาัยไม่ได้ยกตัวยกตนอะไระใช่ไหมแต่พอพูดแล้ว เฮ้เขาใจครับนี่พูดมาจะหูแฉะแล้วนะเขาใจคํานี้หรือแม่ฟังคำใหม่บางทีเนี่ยอ๋ออันนี้พอรู้มันใกล้ๆอันนี้ก็เคียงอันนี้อะไรต่างๆนาะนาะจาไม่ได้แต่ว่ามันก็พอเข้าใจรู้ได้นะซึ่งเราต้องอาศัยรากฐานตรงนี้ซึ่งอาตมาเองอาตมาก็ได้บอกพูดไปแล้วว่าจําทําไมอาตมาในชอบพูดบาลีเก่งนักเหลอไม่เก่งเลย ไม่เก่งเลยแต่ทำไมชอบพูดนักต้องพูดไม่เช่นนั้นหาอาตมาพูดเองเอาหลักฐานบาลีนี่มายืนยันแล้วให้คุณไปตรวจสอบสิอาตมา ก, ก็บอกไปบ่อยๆทำไมชอบพูดไม่ได้ชอบแต่ต้องพูดนะแต่ต้องพูดขนาดนี้ยังไม่ขนาดนี้เลย นะยังกันไม่ค่อยได้ยังคนไม่เชื่อก็ไม่เชื่อเลยตีทิ้งไปซะอีกเพราะนั้นที่ทําอยู่นี่ทำด้วยหลาอย่างทําด้วยความจํานวนหรือว่าเจตนาไม่ได้ดีเจตนามีกิเลสกิเลสอะไรประกอบหรอกแต่คนก็เข้าใจยากนะเพรา ะ, ะนั้นถ้าบอว่าเราปฏิบัติอยู่ปฏิบัติถูกต้องอย่างที่อาตมาอธิบายคร่าวๆไปแล้วมันก็อยู่ในหลักโพธิปักเยตธรรมหอยู่ในหลักจารณะสิบผ้ อยู่ในหลักสูตรหลักต่างๆในพระเจ้าท่านตัดอัตมักเอามาขยายความตงเยอะตั้งแยะนะอยู่ในหลักมรรคองแปดแท้จริงๆมันก็จะไปมีปัญหาอะไรเพราะงั้นตัวใครก็ของใครของมันมีสติโยนิโสมณสิกานะสํารวมอินทรีย์ในหลักของอวิชชาสูตรนี่ก็ชัด นะว่าเราจะต้องดับนิวรณ์หจะต้องกาจัดนิวรณ์หเพราะก็ต้องดูแลไปตั้งแต่สุจริตทุจริต3มกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมโดยการสํารวมอินทรีย์แล้วรู้ว่ากายคืออะไรวจีคืออะไรมโนคื อ, อไรนะรู้กายต่างๆกายยาวิญญาณกายยาสังขารทำให้มันเป็นกายยาปัสสัติอะไรก็ว่าไป รู้ในเรื่องของจิตในเรื่องของวจีเรื่องของมโนแล้วเราสํารวจมินทรีย์แล้วก็มีสติซึ่งเป็นตัวนํำในสติต้องรู้สึกตัวทั่วพร้อมว่าเรากำลังกระทบอะไรเกิดอะไรขึ้นเหตุปัจจัยมีเหตุและปัจจัยรูปและนามกระทบกันสัมผัสกันก็จิตเกิดวัฏวิญญาณเกิดอาการของทางจิตต่างๆจแจงไปเป็นเจตสิก ห้าสองแจกเป็นอะไรอะไรอัตมายังไม่ได้เอาไล่ถึงเจตสิกและจิตมารูป28เนี่ยถ้ารู้รูป28แล้วต่อไปนานๆคตพูดเจตสิกกับจิตง่ายขึ้นเยอะเลยแม้จะจำภาษาอีกยากก็ตามฟังแล้วก็จะเออยังเข้าใจรู้เรื่องแต่ถ้าจะไม่มีพื้นฐานดีๆนี่นะเจตสิกโอ้พวกเดียนอภิธรรมนี่อัตมาส่งสารสงสารส่รงสารตรงไหนวะ คือไปพยองว่าตัวเองรู้ภาษาอภิธรรมจำได้เก่งเหตุผลของมันเหตุปัจจัยของมันตักกะของมันต่างๆนานาร้อยเรียงนี่เก่งเลยนะแต่ไม่รู้ภาษาเข้าไม่ถึงปรมาติหรอกแตุ่่วยบ้านช่วับนนะเพราะว่ามันไม่ง่ายอ่ะมันได้แล้วมันโอ้โหมันพยอง อ, อธิบายสงสารยังเลยเจาออ้าพ่อธรรมเนี่ย แล้วก็เมินเลยนะคนที่พูดดัพิธรมพูดภาษาพวกนี้บอกพวกนี้ยังไกลยังไม่เป็นปรมามัตดยังไม่ใกล้ยังไม่ถึงปรมามัดปรมามัดก็ต้องเล่นภาษาพวกนั้นถ้าไม่เป็นภาษาพวกนั้นไม่ปรมามัดหรอกมันก็จะดูถูกหมดเลยนะหน้างสารน่าโรติดยึดภาษาพวกนี้พราะอัตวาทุปาทานพวกนี้คือยึดมั่นถือมั่นได้อัตตาที่ได้แค่วาทะได้แค่คำพูดภาษา แล้วก็ยึดมัน่นคำพูดภาษาเป็นตนเป็นอัตตาเนี่ยอัตวาทุปาทานนะเยอะเรียนชันต้นงสูงเรียนป ะ, ปะเรียนก็ตามเรียนพระอภิธรรมก็ตามเรียนธรรมะสูงๆอะไรก็ตามเยอะนะมันะถ้าเราสามารถที่จะปฏิบัติแล้วก็เข้าตรงกับคำสอนพระเจ้าว่าเออมันเป็นเช่นนี้จริงอย่างอาหารเครื่องอาศัยในอวิชชาโนเนี่ย นิวรนเราก็พอเข้าใจทุจริษสามก็เข้าใจสํารวบินทรีย์ก็เข้าใจปฏิบัติได้มีสติสัพชัญญะก็เข้าใจโยนิโสมนสิกานเราก็เข้าใจนะหรือแม้แต่ศรัทธาหรือแม้แต่ศัพท์ธรรมต่างๆจนกระทั่งถึงพบสัตบุรุษได้ฟังสัตบุรุษบริบูรณ์ได้ศัพธรรมบริบูรณ์ สัตธาหรว่าเข้าใจเชื่อถือรู้บริบูรณ์ดีถูกต้องอเข้าใจถูกบริบูรณ์ก็ต้องเข้าใจโยนิโสมนสิการถูกต้องบริบูรณ์ด้วยก็ปฏิบัติโยนิโสมนสิการเป็นสําคัญในะโยนิโสมนสิการเนี่ยถ้าปฏิบัติไม่เป็นก็แจ้งเลยมณสิการไม่เป็นก็คือทําใจไม่เป็นเพราะงพวกคุณจะพูดเรียราชานคาถาจะทําการงานอะไรๆ อ, อยู่ก็ สังคมก็ต่างๆนานาถ้าคุณมนสิการเป็นโยนิโสมนัสิการได้ถูกต้องไม่ผิดหรอกอนนี้เป็นคำตอบสรุปอ้าวดูเวลาแล้วตอนนี้ทุ่มยี่สิบสี่นาทีออนยี่น25านาทีาเมื่อกี้นี้ก็กี่นาทีใครดูนาฬิกามังคข้อสจอฮะ ยี่สิบเลยอ้เลยเขาไปหน้อยหนึ่งเลยเขาไปน้อยหนึ่งอ้าวตนละอัตมาก็ว่าได้อธิบายอะไรได้ประโยชน์พอสมควรมีอะไรใหม่พอสมควรมีอะไรเก่าซ้าย้าให้เข้าใจอ้าวทีนี้ใครจะถามอะไรใครจะตอบอความเห็นอะไรอาใครจะสรุปใครจะมีอะไรว่ามาตอนนี้หน้าที่พวกคุณพูดอัตมาพูดคนเดียวแล้ว ตอนนี้หน้าที่พวกคุณละวันนี้อา้าวใครยกมือที่ไม่มีใครยกมือเลยมีใครจะพูดเหรออ้าวเอาไมโครโฟนให้หน่อยใครได้ก่อนเอาเลยมียกปุ๊บเมื่อกี้สองคนอา้าวไม่มีใครเดินไมโครโฟนเหยเนาะไม่มีใครค่อยๆเอาภาระวันนี้เกาลัดไม่มาอยู่ไม่มาส่งฮะอันนั้นแน่เกาลัดประชุมเหรอโอ้โหสภาอะไร อ่าสภานักเรียนเลยนะโอ้โหเอา้าเอา้าแต่ใครได้าาไม่ก่อนเอาเอาเลยได้ก่อนเอาก่อนเขากาะดิฉันดินเย็นชาวหินฟ้าค่ะก็ขอจะขอพูดถึงเรื่องผู้ที่ติดยึดอะไรก็ตามนะฮะก็คือคิดว่าเป็นกัลมาตากัลมาตานี่ไม้ก่อนนี่คือทําขยะนี่ก็คือเขาก็มีผู้ท้วงบอกว่าดิฉันน่ะ กาลมาตามีฉันก็ไม่เข้าใจไม่เข้าใจจริงว่าอ๋อเอ๊กก็ฉันทำงานอยู่ทำไมมาว่าชั้นอ่ะ <c oughs> ฉันก็เห็นว่าฉันไม่ได้ทำอะไรนะ <c oughs> คือไม่เข้าใจภาษานี้พอพ่อท่านมาเทศตอนนี้ก็ถึงได้เข้าใจว่าอ๋อเราติดยึดเรื่องอะไรเราตัวตนเรายังมีตัวตนเราก็ไม่เข้าใจมีอัตาก็ไม่เข้าใจะมีแต่ว่าจะสู้กิเลสอย่างเดียว <laughs> มีแต่คำว่ากิเลสตรงมีตัวตนไม่เข้าใจ <c oughs> ติดยึดไม่เข้าใจไม่เข้าใจค่ะ <c oughs> มีแต่คำว่ากิเลส ร, รู้อะไรก็เป็นกิเลสหมดอะะตอนนี้นะคะก็คือถึงได้เข้าใจว่าอ๋อการพูดการพูดในสิ่งที่ผิดศีลนั่นแหละค่ะก็คือเป็นสิ่งที่กัลมมตาก็คิดว่าติดยึดพูดไม่ไม่ขัดเกลากิเลส ไ, ไม่เป็นไปเพื่อความละอายคลายพวกนี้ย นั่ว่าการทํางานไม่เป็นสัณเลยคธรรมก็คือเราคือการทํางานคือการปฏิบัติธรรมก็คือการที่ไม่ไปติดยึดค่ะไม่ไปไมไม่ไม่ติดยึดในการงานที่ว่ามีตัวตนในกิเลไม่ล้างกิเลสตัวเองค่ะถ้าปฏิบัติการงานอย่าล้างกิเลสมันก็ไม่เป็นกรรมราเมตตาแล้วทีนี้พอเขาบอกว่าเราติดยึดเราก็เลย ปล่อยวางมันก็เลยตรงคือพ อ, อยุค น, นั้ น, นวางมันตรงพอฟังแล้วมันตรงอเลยไม่เอางานเลยเทีนี้ย ค, คือว่าพอจเจองพอเขา้าไปตรงมาค่ะพอเราทํางานเอ๊ะเขามาันมั น, ม, นมันมีตัวที่สมัยก่อนแล้วก็บอกว่าทําไมมาเลื้อยขาเก้าอี้เรานะปวดกลางอากาศเลย <laughs> อะไรอย่างเนี้ค่ะเราก็รู้สึกว่าเราไม่ชอบใจนะฮะ <laughs> พอไม่ชอบใจมันก็มีจิตพยาบาทเอ๊ะทําไมทํากับเราอย่างนี้ ทำไมต้องมาทำเราอย่างนี้ทำไมไม่ถามเราก่อนว่าเราผิดอะไรต้องมาทำเราอย่างนี้นะคะพอมันเข้าใจแล้วโอ้เราพอเราปล่อยเข้าไปได้เออก็ดีเหมือนกันรู้สึกสบายตอนนี้ถ้าใครอ้อะไรไปได้โอ้สบายเลยนะคือไม่ต้องไม่ต้องมาถามว่าอยากได้อะไรคือออกไปเลยนะคืออันนี้คือตัวปล่อยปล่อยสุดตรงนะคะเข้าใจอย่างงี้นะคะแล้วก็เข้าใจแล้วทําได้ด้วยก็มีหลักฐานมีสิ่งยืนยันก็ดี โอ้มาสมาชิกนะสอมสอมมรสมุนพระรามสมาชิกสอมมรสภาสมอรสภาสมุนพระรามเอ้สมุนอ้าวเมื่อกี้อาอ้าวไม่ดังอีกแล้วเมื่อกี้ไม่ได้ซ้อมไกราบนมรสการจ้ะอ้าวดังแล้ว ขอเจริญธรรมพี่น้องทุกคนค่ะอยากจะบอกพี่น้องว่าตุ๊กทุกกลับมาแล้วนะคะหลังจากหายไปห้าสิบหกวันโอ้โหไปตั้งห้าสิบหวันหายไปจากห้องเรียนค่ะนั่นแหละโอ้หนักเรียนยังไงนี่หายไปตั้งเรียนทุกวันค่ะแล้วก็เรียนทุกวันทีนี้จะมีเรื่องพูดสองเรื่องค่ะเรื่องที่หนึ่งคือประเด็นร้อน เรื่องเกี่ยวกับการสอบนะคะทุกคนรู้สึกว่าจะค่อนข้างเครียดนะคะส่วนใหญ่แต่นี่พวกจะแต่เรื่องข้อสอบของอาจารย์นภิสินใช่ไหมคะแต่ไม่ได้พูดถึงเรื่องข้อสอบของพ่อท่านออทีนีถถ้ถ้าทราบอย่างเมื่อกี้ก็คงเครียดเพิ่มขึ้นอีกทีนี้ ข, ของของอาจารย์นภิสินที่สอบคั้นมาจากศีนะคะมี216หน้า216หน้าเท่านั้นเองเหรอนะเล่มเล็กค่ะ <laughs> แล้วก็ทางเอก ทางเอกภาคหนึ่ง oh, oh. สามบทมีเกหน้าค่ะแล้วก็มีข้อสอบซ่อมสำรองไว้อีก19หน้าทีนี้บางคนบอกว่าฉันไม่สอบแล้วฉันจะเอาเวลาที่ไหนมาอ่านงานฉันก็เยอะถ้าฉันสอบตกอะฉันก็อายก็เหมือนกันไม่ต้องไปกลัวสอบตกไม่ต้อ <หา S 2> <า>งไปกลัวหรอกว่าไม่มีรีทาย ไม่มีปัญหาเราไม่มีริทายสอบไม่ได้สอบใหม่สอบไปเไรื่อยๆสอบไปดิฉันก็เลยบอกว่างั้นดิฉันจะตกเป็นเพื่อนแล้วกันแล้วก็บอกว่าข้อสอบข้อสอบหมายถึงว่าเรื่องที่จะสอบก็เพราะท่านพูดมาแล้วทั้งหมดมันก็ผ่านหูมาแล้วทั้งนั้นน่าจะน่าจะได้ม้างถ้าสมมติสอบตกตคนตัวจข้อสอบคงมีความเห็นไม่ตรงกับเรา ก็ให้กำลังใจเขาอย่างนีนะะออ้ก็อยากให้พ่อท่านให้กำลังใจคนที่ว่าบางคนถอดใจไม่มาสมัครก็มีนะคะถามไม่ตรงกับคำตอบเนา ะ, ะว่าอ้าวก็จะไงได้ก็มาออกข้อสอบนี่เลยครข้อสอบไม่ตรงกับคาตอบเขาคิดไม่ตรงกันค่ะทีนีอ้อันที่สองนะคะ ข้อสองไม่ตรงกับคำตอบเดี๋ยวพ่อท่านค่อยตอบก็ได้ค่ะข้อสองข้อสองอันนี้เรื่องของนี่ฉันเองคือที่พ่อท่านบอกว่าคนที่อ่านหนังสือค้าบุญคือบาปคือคนที่มีบรารมีใช่ไหมค ะ, ะใช่พ่อค ะ, อะมีอัตมาดูมันจําได้ว่าบอกว่าคนที่มีบรารมีได้อ่านหนังสือเล่มนี้เนี่ยมีบรารมีถ้าคนไม่มีบรารมีเพ้อเพ้อได้มาอ่าน อ่านแล้วเขาก็ไม่รู้เรื่องว่าไม่อะไรหรอกนั่นก็คือคนไม่มีบา ร, รมีนมันเพล่แต่คนที่แม่ไม่คิดว่าจะได้อ่านยิ่งไม่ได้อ่านโอ้ยิงอ่านงได้ประโยชน์ยด่งเข้าใจย่างไนั่นคนมีบา ร, รมีค่ะอัตมาขยายความอยู่ว่ามีบา ร, รมาีทีนี้ที่ฉันว่าคนที่มาเรียนวออร์บอนี่ก็มีบา ร, รมีมากโข อ, อยู่เพราะว่าทั้งเรียนทั้งทางาน Uh huh. ปกติตอนเราเรียนหนังสืออาจารย์บอกว่าอย่าลงเกินยี่สิบหน่วยกิตนะมันจะหนักแต่ที่นี่รู้สึกทั้งภาคเรียนทั้งภาคปฏิบัติประมาณห้าสิบหน่วยได้ไหมคะ <c oughs> แต่ก็ทุกคนก็ภาคเพียรเพราะพ่อท่านบอกว่าให้ทุกคนไปถึงฝั่งให้ได้ถึงแม้จะทะลอกบอกเปิกไป <c oughs> ก็จะให้ถึงฝั่งบอกว่า <c oughs> พระมหาชนกเพียรยังไม่เห็นฝั่ง แต่พวกเราเห็นฝั่งมีพ่อท่านยืนคอยอยู่ที่ฝั่งนู้นยืนคอยแล้วแถมกวักมือเรียกด้วยเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะไปให้ถึงพ่อท่านแล้วพ่อท่านจะได้หายไอด้วยค่ะใค่ะข อ, <สา S 2> ขอบคุณค่ะสาธุสาธุโอ้ดีข้อท้าข้อท่าอ้าวใครอีกยกมืออา้าวนี่เอาให้คนนี้เอาไปไหนแล้วนะี่ะนี่ง่ายก็รัดนี่ง่าย เอได้แล้วไมโครโฟนอ้าวใครอีกยกมือใครจะต่อก็ยกมือไว้เดี๋ยวเนี่ยเจ้าพนักงานเขาทําหน้าที่เอาไมือกโฟนให้การเล่นวัฒการพ่อท่านท่านสำราญและท่านศิษมาตค่ะเจะได้ทำให้น้องทุกคนเงี้ยก็เพิ่งเข้าใจคําว่าการพูดเดรัจฉานิชาค่ะก็เป็นเป็นอะที่ที่ตัวเองก็มีอยู่ค่ะก่อนจะไปปฐมวิโสค่ะก็วางแผนว่า คิดในใจว่าเออเราจะไปดูเป็นสกายะของนฉันนั่นคือชอบชอบผ้าฝ้ายะค่ะก็วางแผนไว้ก่อนแต่วันนี้ก็ชัดเจนว่าเออการที่เราพูดคิดไว้ว่าเราจะต้องไปซื้อผ้าฝ้าที่ที่ร้านเอื้อไทยอะค่ะก็ก็ไปก็ไปเหมือนกันแต่พอพอพอประวังเพราะท่านวันนี้ก็ชัดเจนเออเนี่ย การที่พูดเดรัชานวิชาเป็นเป็นคำพูดเดรัชานคถาเดรัชานกาถาเดรนวิชาหมายความถึงความรู้ทั้งหมดเลยมันก็เดรัชามันโง่เหมือนกันนั่นแหละเดรัชานคถาก็โง่ก็ก็เข้าไปเข้าไปดูเหมือนกันนะคะแต่แต่เห็นในชัดว่าสิ่งที่เรามีอยู่อะคือผ้าใยที่เรามีอยู่ก็เยอะแล้วทําไมเราต้องต้องไปไปหาว่าอีกค่ะคือมันไม่ ไม่ไม่ยอมพอไม่ยอมอิ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เห็นในชัดแต่โชคดีตรงที่ว่าเออคิดมันมีตัวฉุกคิดว่าเออเราจะเอามาทำไมในในของเก่าก็มีเยอะพอมาช่วงที่ศิกรรมเทศเมื่อวานเมื่อวานก่อนนี่แหละค่ะก็สามารถที่จะสละสละสิ่งที่เรารักเราห่วงแล้วก็ชอบมากที่สุด ให้ให้ให้คนอื่นนะคะก็เห็นได้ว่ามันก็ไม่ใช่ง่ายเลคะ่ะเพราะท่านที่ว่าเราจะเอาของที่เราชอบชบให้คนอื่นเลยค่ะคือได้โลสกายะที่ตรงนี้กะะันกล่าวขอบคุณกันอ่าดีอ่า อ, อธิบายความหมายเอาใครได้ไมโครโฟนแล้วเมื่อกี้ทางโน้นเอาใครใยกอีกก็ยกมือครับกับคนที่ได้<อ>ก่อนเอาเลยเประมาณเดือนกุมภาพันธ์เนาะมียวันนึง ก็เมือหนึ่งถือสายไฟสะพายย่ามแล้วก็หอบหลอดไฟเดินเดินไปเมื่อยก็เลยนั่งพักตายตนมะขามที่แยกมิศกวันทีนี้เพื่อนนะเพื่อนเขาก็มาจากไหนไม่รู้คงมาแวะดูที่ชุมนุมอ่ะเขาบอกเฮ้ยอําพรมาอยู่อย่างนี้เหรอทําไมมานั่งอยู่อย่างนี้สันติอโศกไม่ต้องไปอยู่แล้วทําแต่งานเขากล่าวกันนะทีนี้ก็ น้านั่งลงนั่งลงคุยกันก่อนก็คุยกันไปเรื่อยๆคุยไปสักเกือบชั่วโมงเขาก็ปวดเยี่ยวเฮ้ย hey, เขาเยี่ยวกันที่ไหนวะ <c oughs> ผมบอกว่าเดี๋ยวเดียวเพื่อนผมทำทำห้องน้ำอยู่ก็คือจ่าหลักบุญวันชยัยก็ถุยเนาะเลี้ยงกันสามคนเนี่ยสงสัยติดใจเรื่องห้องน้ำตามมายกช่วยที่บ้านลาดด้วยทีนี้ก็พอพอเข้าห้องน้าเสร็จปุ๊บก็ก็เปลี่ยนไป ที่ทางเขาก็ดีขึ้นนะหลังจากที่ว่าเออทําแต่งานทีนี้ก็ก็มาคิดเรื่องเรื่องการงานนะถ้าเกิดถ้าเกิดเอาแต่ถ้าเกิดเราไปเดินจงกรมกลงกลมไปกงกลมก ม, มาที่ถนนลาดเนินเนี่ยนะคงขี้เย่อเต็มถนนเลยนะก็มันมน ม, น ม, นมันเป็นไม่ได้ทําส้วมเลยเนาะครับไม่ได้ทําส้วม <laughs> ก็คือไม่มีการงานไม่มีทำา ง, งานงานมันก็เป็นเครื่องขี้อย่างหนึ่งว่าเราเรา รับใช้ไม่ได้ถ้าเราไม่ปฏิวัติธรรมไม่ลดกิเลสแล้วก็คงไม่มีการงานที่ที่เป็นที่พึ่งของคนอื่นได้เนี่ยชัดๆเลยเขาเขา เ, ข า, เขาเปลี่ยนไปทันทีเนาะหลังจากที่ได้เข้าห้องนา้าเสร็จเนาะเขาก็คุยคุยเรื่องใหม่ดีขึ้นอันนี้คือเรื่องเรื่องการงานกับการปฏิวัติธรรมกับการลดกิเลสครับมีมีแค่นี้ครับ เราจะเข้าใจขึ้นนะว่าเรื่องการรับใช้เนี่ยรับใช้คารวาสและรับใช้คารือฮัตรับใช้ผู้ที่ไม่ใช่นักบวชด้วยกันแต่นักบวชด้วยกันก็ไม่มีปัญหาเรามืองง่ายนะเพราะว่ามันเอาอะไรเอาเอาอะไรแลกเปลี่ยนกันแล้วนักบวชต่างคนต่างไม่มีเงินแล้วอ่ะมันก็ไม่ได้ไปรับใช้อะไรกันไม่ได้ไปเกื้อกูลกันสงเคราะห์กันต้องช่วยเหลือกันอยู่แล้วทีนี้คารวาสเขามีอะไรที่จะให้เราอะไร เราก็ไปรับใช้มันก็เลยกลายเป็นการการรับใช้เครหัสการรับใช้ครวัตเนี่ยจะได้เข้าใจมากขึ้นถ้าไม่ใช่มันขัดแย้งกับการว่าเราจะมีประโยชน์แก่สังคมประชาชนหรือสงเคราะห์เกื้อ ก, กูลสังคหะเสียสละสังคหะให้แก่ประชาชนให้แก่อะไรเอื้อเฟื้อเจอจใจเกื้อกูลช่วยเหลือแล้วมันจะไปทําอะไรเราจะไปทําอะไรได้ พระที่ยังไม่บรรลุไม่สมควรที่จะไปเทศนาเทศสุมสีสุมหอะไรนะไม่ได้เทศสุมสีสุมห่ามันก็ไม่ดียังไม่บรรลุถ้าเป็นพระบรรลุแล้ว ก, ก็ยังต้องระวังเทศตามฐา น, นะของตนอย่าไปเทศเกินตนอย่าไปเทศอะไรไกลไปถ้าจะเทศเกินตนภาษาที่มันสูงเกินตนอะไรมากก็ต้องพยายามอย่าให้เขาเข้าใจผิดว่าภาษาที่เราพูดนี่คือเราได้แล้วนะ <Okay. S 1> คือเราสําเร็จแล้วให้เขาเข้าใจผิดเนี่ย มันจะมันจะคานแยงเช่นว่าเราเองเราเป็นอรหันต์แต่เราเองเราไม่ได้เป็นเลยสมมุติง่ายๆว่าโสดายังไม่ได้เป็นเลยแต่เราไปคุยซะมาเหมือนก็บอย่างคนเขาฟังโอ้โหองค์นี้อรหันต์งี้แงเลยภาษาพูดภาษาอสอนอรหันต์แงเลยเขาก็เข้าใจว่าเรานี่เป็นอรหันต์ทั้งทั้งที่โสดาเลยยังไม่ได้เลยเพราะไอ้คาพูดกับพฤติกรรมของเราอยู่ด้วยกันไปเขาก็จะดูว่าอ๋ออรหันต์เป็นอย่างนี้เอง อารหันยังติดยังยึดยังยังไม่รู้แม้ต่การแ ม, ม้แต่อะไรอะไรเขาเป็นอยู่นี้เองก็อยู่กันแต่พูดในภาษาอรารหันทั้งนั้นนลยแต่ว่าพฤติกรรมของเขามันไม่ใช่คนก็เชื่อว่าอารหันเพราะคำพูดมันแสดงอารหันทั้งนั้นเลยคนฟังแล้อุ้มต้องอารหารนันแน่ๆเลยแต่นี่พฤติกรรมนี่เขาไม่รู้นี่ก็เขา้าใจพฤติกรรมอย่างนี้แหละเป็นพฤติกรรมของอารหันเขา ดเดาวเองยิ่งไม่บอกยังไม่บอกนะไม่เป็นทหารแบไม่บอกนะแต่แสดงภูมิเนี่ยโอ้โหพูดคํามืนิพานพูดคำ ม, ม, มัมีตัวตนสองคำก็มัมีตัวตนอะไรเงี้ยโอ้โหแต่เราพูดแต่เราโวหารตักกาเหตุผลโอ้โหเก่งสโลเกง่งอะไรต่างๆนานาแต่ตัวความจริงนะพฤติกรรมของแต่เองไม่เลยไม่ได้ใกล้เลยคนก็กระบอกลบคูหนหันเอาพฤติกรรมกับภาษาเนี่ยภาษาเชื่อว่าเป็นอัอิยะ อรหันแต่พฤติกรรมมันไม่ใช่เขาก็บอกลบคูณทายไปแล้วมันเพี้ยนไหมล่ะเดาเอาไม่บอกก็ไม่ได้ไม่บอกก็ไม่ได้กกไม่จะบอกนะว่าเราบรรลุเราบรรลุเพราะทำนี้พูดได้แต่มาบอกไม่ได้นะพูดสอนกันเจ้าเจ้ า, จ า, จ า, จาเลยอะไรเนะี่ยนี่คือความเสียหายในโลหิตจัสูตรก็ดีในอะไรเลายๆอย่างแม้แต่ในปัจจุปจัปจจเวกขณะก็ดีถ้าก็สอนไว้ว่าต้องบอกได้พูดได้ แล้วก็ตัวอย่างพวาในตำนานในพระเติรดอเยอะแยะไว้ท่านที่บรรลอรหันต์แล้วแาก็บอกธรรมดานี่แหละไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่คนไม่เข้าใจซับซ้อนก็ยากนเนี่ยเพราะยันั้นการพูดการจา ก, การอะไรรต่าง ๆ, ๆ น, น, นานๆเนี่ยการเข้าใจทาความเข้าใจพวกนี้มันสอนเพียนแล้วมันเข้าใจยาก<ม>อา้าวใครอีกขอโอกาสค่ะอ้ะาวขอโอกาสนะคะ เอีอยวฉันเกิดดินสุวรรณค่ะเดี๋ยวพี่ตุ๊กจะได้ลืนเนาะคนใต้จะไม่รู้เรื่องแล้วได้ลืนน่ะลำหน้าค่ะลำหน้าเดี๋ยวคนคนใต้คนอีสานพูดคือคนใต้บางคนย่าได้ลืนอ้าวคนใต้ก็บอกอะไรกันนะแรงพื้งช่วง ช่วงสัปดาห์นี้นะคะไม่ค่อยจะได้อยู่ในห้องเรียนเท่าไหรนะ่นักเพราะว่าไปเกี่ยวข้าวนะคะช่วงนี้เป็นฤดูกเกี่ยวข้าวลมพิュววิวสวยนะคะโฆษณาชวนเชื่อพี่น้อง<笑>แต่ก็รู้ว่าพี่น้องตอนนี้กาลังะจะปลูกผักนะคะก็ก็เห็นดีด้วยอยู่นะคะแต่ถ้าหากว่ามีความคิดอยากจะไปช่วยเกี่ยวข้าวบ้างก็ก็จะดีใจมากนะคะ<笑>ก็เป็นลักษณะว่าอยู่ในทุ่งนานะคะ ก็มีการพูดคุยกันมีความคิดว่าข้อสอบมันก็เหมือนพี่ตุ๊กว่านะคะว่ามันรู้สึกปวดหัวาบางคนก็ไม่อยากจะสมัครสอบนะคะจะดอกไว้ก่อนหรือเปล่าเทอมนี้ข้อสอบนี้ว่าอางนั้นนะคะแต่ก็บอกว่ า, อาลองดูก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งดอกเดี๋ยวเรามาติวกันอยู่ทุ่งนาว่าอย่างนั้นนะคะก็คงจะเป็นโอกาสดีในการที่จะไปไปช่วยกันติวนะคะ ถ้าคนไหนถ้าคนไหนมีความรู้ก็ขอขอผู้รู้ไปช่วยหน่อยนะคะไม่เกี่ยวข้าวก็ได้แต่ไปช่วยติวนะคะจะขอบพระคุณอย่างยิ่งค่ะสาธุค่ะหาทาง เ, ออเก่งเนา ะ, ะดีอาตมาจะขอแทรกตรงนี้หน่อยเรื่องการเรียนของรเราเนี่ยนแบบใหม่มันเรียนทั้งสามอย่างเลยนะศีล เ, เคร่งเก่งงาน ชำนาญวิชาหรือว่าศีนเต็มเลยก็ได้ น, นัถ้าสูงสูงเชระดับอุระึกษาเลยชัดๆก็หรือขั้นปริญญาโทร ป, ปริญญาเอกเลยศีนเต็มแคมงานสืบสารวิชาเนี่ยมันก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่ใช่หลักสูตรแบบโลกโลกเขาแน่นอนเพราะฉะนั้นหลักสูตรที่เขาใช้กันมาเขาจะเท่านั้นทอนนี้ยูนิตเนี่ยเขาเอาแต่เรียนเอาแต่แต่ตอบถามกันเท่านั้นเองอ่านตำราแล้วนั้นเองเพราะฉะนั้น เ, เท่านั้นยูนิตตอนนี้ยูนิต อาตมาก็เห็นใจอยู่ว่าไอ้ของเรามันไม่ใช่เพราะฉะนั้นมันจะทำอย่างไรที่เราจะประเมินผลเราจะให้คะแนนเราจะเก็บคะแนนเราต้องมีคะแนนทั้งศีลเด่นมีคะแนนทั้งเป็นงานมีคะแนนทั้งชานวิชามันจะต้องแจกต้องแยกของมันไม่ให้มันรวมมันจะได้คะแนนราะนี้มันจะได้ไม่กังวลโอ้โหแล้วเวลาจะมาก็ตั้งยูนิตตั้งไอ้ไอ้อหน่วยไอ้ขึ้นมาว่าจะต้องทางี้ และไอหน่วยที่ว่าเนี่ยไปให้คะแนนอยู่ที่ไอชานวิชาอย่างเดียวศินเด่นเป็นงานไม่ใช่แล้วงานเราก็ไม่น้อยมันก็เลยโอ้โหหนักหนาสาหัสเพราะฉะนั้นอดีตอาตมาก็เข้าใจอยู่เห็นใจอยู่เหมือนกันก็ค่อยๆเป็นไปค่อยๆปรับแล้วก็ค่อยทําเราจะไปทําตามระบบของทางโลกเขามันไม่ได้หรอกมันไม่ได้ มันมันมันมันคนละทางเลยคนละแบบเพราะฉะนั้นเราก็จะค่อยๆจัดสรรเข้าไปแล้วก็ค่อยปรับเข้าไปวิธีการตอนแรกๆเนรุ่นบุกเบิกก็ทนนิดหน่อยหนักหัวเจาะรุ่นไพโอนเนี่ยห<ข>นักเขาโ อ, อกาสนะครับพ่อท่านทีมนี้เนี่ยจะว่าไปมิตรเจโตนะคะท่านถามหัวข้อทำอะไรดีดีเจโตระหนักทนดีคือคือตอบไม่สุดทักทีญญลืม <ทน S 1> ตัวนั้นแล้วก็ไปตัวนี้ ก็จะรวยไปเรื่อยครับข้าก็ไปหาเพลงหาหมอลำไปเลยมันก็ออกนอกเลยไปๆไม่สุดซักทีในเรื่องธรรมะนะคะไปถึงอย่างนั้นสิก็แมอยากอยากหานักวิชาการนะคะอยากหานักวิชาการนักวิชาการจริงๆมันก็ยังไม่มีตัวจริงเท่าไหร่อัตมาก็ไม่เก่งการเป็นนักวิชาการเลย นักวิจัการก็ได้แต่โครงสร้างมาจากทางโลกโลกเขาทั้งนั้นเพราะก็ต้องค่อยๆปรับปรุงค่อยๆประยุกค่อยๆแอพลายไปเรื่อยๆก่อนนะยังไงยังไงก็ยังทนเอาหน่อยนะพวกเราในมรุ่นบุกเบิกนี่มันยังไม่ค่อยเขาร่องเขารอยอะไรก็ลำบากอยู่ก็ก็ปรับไปค่อยอะไรอะไรกันไปนะนะข้อสำคัญก็คือทนหน่อยทนนะทนเอาหน่อยอ่าบ้ากันไปเรื่อยๆ อาตมาอยากจะแหมอยากจะแจกปริญญาอยู่ในเนี่ยเอบัญญิบัตรอยู่ในเนี่ยจะได้แจกมั้งไหมเนี่ยก็ดูไปเถอะ ม, มันแน่หรอกบางไม่แน่หรอกบางที4ปีจริงๆมันอาจจะได้แจกอยู่นะไม่แน่ไม่ได้ก็มนปล่ปีอาตมายัางบอกว่าพวเรา5ปียังรู้สึกวมามากไ ม, ไม่มากอยู่แล้วที่บอกว่า5ปีที่อาตมากาหนดแต่พวกเราเ อ, อ, อ, อาซีซเอาก็ซ ริงอาตมาก็ตังไว้ห้าหน้าแต่มันก็ไมคอยตามก็ไม่เป็นไรเอาสี่ก็สี่มันไม่ได้มันก็ต้องห้าอยู่ดี่ห้าไม่ได้ก็หอยู่ดีไม่แปลกอะไรอ่ะ7ปียกไวอ่า <c oughs> ปียกไวของพรุทธเจ้านัของพรพุทธเจ้า7ปีมอ่าพระพุทธเจ้า <c oughs> เจาปีเน่อ่าเอาค่อยๆปรับกันนะพวกเราเนี่ยนะถ้าเพื่ว่าต่อไปในอนาคตที่ของเรามันจะ คือคนจะต้องยอมรับนะว่าไอ้พวกนี้เขาเรียนจริ ง, รงๆเขาเรียนแล้วเขาได้จริงแล้วก็มีเราจะเอาไปถึงขั้นเจ็ดปีก็ได้ปัญญาบัตรใบหนึ่งอะไรเงี้ยโมอกว่าโอ้โหพวกเรานี่ามาแล้วรับรองว่าเหนือชั้นจริงนะแล้วพวกเราไม่ต้องกลัวจะไม่จบคืออยู่ไป20ปี30ปีไม่ต้องกลัวจะไม่จบอา้าวดีไม่ดีคุณเป็นอรหันก่อนนะก่อนจะได้ใบอะ ได้จะได้ปริยาบัติใปปัญญาบัติใช่ั้ยได้อรหันก่อนกไม่จะเป็นปัญหาอะไรเลยอ้ า, อาต่อไปใครได้ไมโครโฟนเราเร็วอา้าวเดี๋ยวอีกสักสิบนาทีเา้าวเดี๋ยวปลาทางนักบวชขอโอกาศค่ะพราะฉันในน้ำคำนะคะก็สนใจในเรื่องประเด็นการรับใชะคะ้ค่ะ แล้วทีนี้เมื่อพ่อท่านพูดถึงการรับใช้ก็อยากเรียนถามพ่อท่านว่าผู้ที่เราจะรับใช้อะค่ะหรือว่าสิ่งที่เราจะรับใช้อ่ออันต้องมีปัญญาสิจะรับใช้ค่ะมันก็ขึ้นอยู่กับว่ามันจะขึ้นอยู่กับอัตตสาระประโยชน์นั้นหรือว่าบุคคลบุคคลสําคัญนะออบุคคลก่อนเลยอัรตประโยชน์นั้นมันก็ส่วนมากก็มันก็ก็ง่ายอัตตประโยชน์นง่ายตัวสาระประโยชน์นง่ายที่เราจะรู้แต่บุคคลนี่ยากกว่ามันต้องดูบุคคลเป็นหลัก ต้องเป็นบุคคลประเภทไหนคะที่เร า, าต้องรับใช้ประเภทที่มันไปเสริมกิเลสเขาท้าให้เสริมช่วยเขาเขาเข้ามาทําลายป ร, ประชาชนมาทําลายมวลมนุษยชาติมาเป็นโทษเป็นภัยมากอะไรพวกเนี้หนึ่งเสริมกิเลสสองไปโทษเป็นภัยต่อสังคมเป็นหลั ก, หล ก, หลกใหญ่ๆแต่ถ้าเรามองเห็นว่าสมมุตินะคะบุคคลนั้นเราเห็นว่ามันเป็นกิเลสหรือว่าอัตตาเขาแต่บางทีมันมีประโยชน์กิเลสเราก็รู้แต่ว่าเป็น เป็นประโยชน์ต่อสังคมบางทีเนี่ยจะไปเสริมกิเลสต่างเขาก็จริงแต่มันเป็นประโยชน์ต่อสังคมหมู่มากนะเราก็จำนวนเราก็ต้องเอาทั้งทั้งที่เรารู้แต่ว่ารู้อยู่ว่าจะไปเสริมกิเลสเข้าแต่ว่ามันประโยชน์ต่อมวลประชาชนนี้เป็นต้นเราต้องพิจารณาชัดเจนแปลว่าต้องพิจารณาหลายหลายมุมหลายเน้อใชใช่โอกาสเวลายุคเวลาโอกาสกาละกาลันยุตาเขาจะต้องพิจารณาด้วย ใช้สัพพุทธธรรมเจ็ดนี่แหละต่างๆรายละเอียดอาแบ่งกันเขากาดค่ะรายงานตัวนิดนึงนะคะหายหน้าไปจากห้องเรียนะระยะหนึ่งความจริงแล้วรู้ความสำคัญในความสำคัญอยู่นะคะพ่อท่านในช่วงแรกที่ทำได้ก็ทำได้ติดต่อก็รู้สึกดีดีนะเพราะช่วงหลังก็มี ธุระมาตัดรอนนะคะหลากหลายมากคงไม่ต้องพูดถึงเมื่อมาไม่ได้ก็คือมาไม่ได้จริงๆแต่ก็รู้สึกเสียดายมากๆอยู่ค่ะเรื่องสอบนี่ดิฉันไม่ไม่ห่วงนะคะแม้กระทั่งไปที่ปฐมศุกร์ไปคุยกับไปเยี่ยมคุณย่าบุญโฮมนะคะก็คุยกับพิกุลเอี้ยงยไปเยี่ยม<บ>อยู่ค<อ>บุญโฮมไม่คุยกับเขารู้เรื่องเหรอ เล่นหลงเยอะแล้วอ่ะจะร้อยแล้วอายุจะร้อยแล้วจวท่านจำใครไม่ได้แล้วนะคะอ๋อน่นจะคุยได้อยู่จำใครได้คเล่นโทรศัพท์ก็ได้ค่ะท่านเพราะนั่นน่ยเอาโทรศัพท์ให้เล่นนะคะจะเล่นได้ค่ะชมก็คุยกับพี่กุลเอี้ยงอยู่นะคะว่าความจริงแล้ววนบอเนี่ยพวกเรามาเรียนนี่ความจริงไม่ได้เรียนอะไรหรอกไม่ได้เรียนอะไรพ่อท่านแค่จับพวกเรามาเพื่อที่จะ มาให้พวกเราได้รู้วิธีการสรุปรู้วิธีการพูดให้เป็นข้อสั้นๆให้คนอื่นเขาเข้าใจเท่านั้นเองซึ่งดิฉันตีความอย่างนี้นะค ะ, ะฉันได้ในการสอบดิฉันก็มั่นใจว่ายิ่งคงให้สอบเป็นแบบปรึกษาหารือกันได้ในกลุ่มด้วยเนี่ยดิฉันคิดว่าไม่ยากคำว่าไม่ยากของดิฉันคือทุกคนมี มีอยู่แล้วในตัวตนของตัวเองนะคะสาสิบปีสี่สิปีทุกคนทํามาอยู่แล้วเพียงแต่จะพูดออกมาอย่างไรเท่านั้นเองทุกคนก็เขียนได้อยู่แล้วแต่จะเขียนอย่างไรเท่านั้นเองเชื่อว่าพ่อท่านสมัญนาและศิกมาทุกท่านให้คะแนนพวกเราทุกคนนะคะก็เลยขาดาขาดไว้ไว้ต้องหาวิธีะนะวิธีต้องหาวิธีในภาคที่จะต้องคือมันยังไม่เป็นหลักเป็นฐานเท่าไหร่ ผู้ที่จะเป็นรับผิดชอบเป็นครูอาจารย์เป็นผู้ที่รับผิดชอบในการศึกษาก็ยังไม่เป็นโลเป็นภายหรือว่ายังไม่มีหน้าที่ตรงตรงเราก็คงจะต้องมีหน้าที่ตรงๆในอนาคตที่จะเป็นภาระจริงๆเอาภาระจริงๆอย่างที่เรียกมอนก็ยังสมณะนี่จะมีสมพานานี่เป็นตัวสมพานคือผู้รับภาระผู้ที่จะเอาภาระอยู่สมภาระในสมพานอันนี้ก็เหมือนกันแหละ การศึกษางเราเป็นหลักเป็นฐานต่อไปเมือก็ยังมัธยมของเราก็ยังมีพูดที่จะต้องรับหน้าที่จริงๆนะเขาต้องรับผิดชอบต้องมาช่วยทําอยู่เป็นหลักเป็นฐานไอ้ น, นี่เรายังไม่เป็นหลักเป็นฐานยังชัดเจนเลยในระดับอุดมศึกษาแล้วนะแต่ว่าเราก็ยังไม่มีเหมือนกับมัธยมเลยมัธยมเรา ย, ยังมีครูที่บรรจุอะไรอะไรนี่เป็นหน้าที่รับผิดชอบพาสมควรแต่ น, นี่เรายังไม่ได้บรรจุใครเลย ยังไม่มีประจุใครเลยแล้วก็ยังไม่ได้คิดอ่านยังไม่มีเอกสารยังไม่มีหลักฐานยังมีอะไรอะไรเป็นชิ้นเป็นอันอะไรต่างๆนั่นนาเพราะฉะนั้นก็เอานะเขาก็เป็นไปอัตมาเขาเล่านิดนึงมหาวิทยาลัยเสด็ปกักก่อนเนี่ยนะตอนแรกเลยนะครับยุคแรกยังไม่เป็นโลกเป็นพายมีอาจารย์ศิลปีรศีอยู่คนเป็นหลักนอกนั้นยังไม่มีอะไรเลยตอนแรกๆเนี่ย ถ้าตมาเข้าศิมบากอนเเป็นรุ่นแรกๆครับนะก็จะรุ่นประมาณนั่นแหละศิลปินน ะ, ะทวีทวีอะไรจีกระจรใช่ไหมอรัชนิกกรอเออทวีนี่ก็เป็นศิลปินแห่งชาติหรือเปล่าเป็นศิลปินแห่งชาติดนะ้ทวีก็รุ่นพวกนั้นน่ะอัตมาก็แม่ ไดูตอนนั้นตอนแรกในศิปกรณ์เองเนี่ยเขายังไม่กลา้า ป, ประกาศ ป, ร, ป, ร, ป ร, ริญญาบัตรนะมีแต่อนุ ป, ป ร, ริญญาเองอยาอาจารย์สวัสดิ์นี่ก็ได้แค่อนุ ป, ป ร, ริญญารุ่นแรกเนี่ยรุ่นแรกจริงๆนี่นะเบอร์หนึ่งจริงๆนี่คือาไม่ใช่ออกแบบให้ใหเป็นเปลวอยู่ที่หน้าธนาคารนั่นนะ ไอ้ฉลูดนิ่งเสมอเบอร์หนึ่งหมายเลขหนึ่งเซมบรกรก็จบมาก็ได้แค่อนุปริญญาตอนแรกนะไม่เป็นอะไรหรมันเป็นยังเป็นโรคเป็นพายอะไรเลยเลนะจนกว่าจะประกาศเจอิประสาทปริญญาบัตรนานหนายปีนะอัตมาก็ยิ่งเห็นว่าเออลักษณะของมหาอัยไลของเขานี่ทางการได้แท้ๆเลยเขาก็ยังเงินนั้นเนาะ กว่าจะได้เป็นรูปเป็นร่างยิ่งพวกเราในยิ่งมโหรัตรมา ก, ก็ไม่รู้ทําไรก็รอๆอยู่ว่าใครจะมีน้ําใจมาช่วยเอาภาระจริงๆเลยนะะก็เหมือนมัธยมทุกวันนี้ก็เราก็ยังมีอาจารย์ที่มาธรรมที่ภูมิหนวยการมีอาจารย์ประจํานนทีดูแลกันไปแม้แต่ประถมเพราะอุดมศึกษาก็คงจะต้องมีเช่นนั้นกันในอนาคตแต่มันก็ยากหน่อยเพราะเราจะต้องใช้ผู้ที่มีภูมิธรรมมี หลักฐานอะไรจริงๆขึ้นมาถึงแม้ว่าเราจะไม่เอาอย่างนิตินัยทีเดียวมันก็ไม่ควรจะดูขี้เหร่อะไรเกินไปนก็ค่อยว่ากั น, นอเอาเอาน้าต้องอดทอนหน่อยทุกทุกกงงารเงินไปพ่อครูคาจู ข, ขอเรียนถามเรื่องที่ว่าในกรณีของพวกเราที่เรารู้สึกกังวลหรือว่าในเรื่องของการสอบเนี่ยมันก็เป็นทุกประการหนึ่ง ที่จะเขย่าจิตใจของพวกเรานะคะ่ค่ะตรงนี้นย อ, อยู่กำลังนั่งดูว่าเอเราควรจะจับไปในคือการสอบเนี่ยมันเป็นเหตุและปัจจัยเพื่อเขย่าจิตใจของเราให้รู้สึกระทึกให้รู้สึกระทึกแล้วมันเกิดการกดดันกดดันทำให้เราเนี่ยต้องมาถามตัวเราว่าเออไอ้ที่เรารู้สึกว่า อึดอัดทุกทุๆๆุเนี่ยเรายึดจากอะไรเรายึดจากที่เรากังวลว่าเรากลัวสอบตกหรือสอบได้อทีนี้ไอสิ่งที่เราจะต้องจับคือจับทุกอริยสัจใช่ไหมคะใช่จับในทุกอริยสัจว่าไอเนี่ยมันเป็นแค่เหตุการณ์มาเขย่าเท่านั้นแต่ว่าสิ่งที่เราจะแก้คือแก้ตัวจิตยึดในความกลัวหรือไงคะต้องพิจารณาลึกๆมันเป็นเรื่องของอัตตาตรงๆงเลย อัตราที่ว่านี่ก็คือหนึ่งมันกลัวจะสอบไม่ได้มันกลัวจะขายหน้ามันก็นั่นแหละมันก็ธรรมดามันก็น่าได้แต่มันไม่ได้โอ้ทำไมไม่ได้มันก็จะขายหน้าหรือมันก็จะอะไรก็แล้วแต่เถอะเพราะนั้นเราก็ต้อง พิจารณาดู ด, ดีๆว่าเออเราก็ทำให้ดีเท่าที่มันจะมีเหตุปัจจัยอะไรๆทำได้แค่ไหนล้วก็พากเพียนไปจัดสรรเวลาบริหารเวลาบริหารการงานเท่าที่เป็นไปได้อะไรสำคัญก่อนอะไรสำคัญหลังอะไรสำคัญกว่าเราก็ได้ทั้งนั้นในขณะที่เราเองเรายังไม่ได้แบ่งเรื่องของคะแนนจริงๆเลยว่าแล้วเป็นงานนี่เป็นมีคะแนนบ้างไหม นะรู้สีนเด่นในทางธรรมะพวกเนี้ยอยาอาตมานี่นะอาตมาจะไม่ต้องสอบก็ได้ให้คะแนนประจําไปก็ได้แต่ตาไมาไม่มีคนช่วยไม่มีใครที่จะเออเนี่ยมีเลยเนี่ยมีทุกคนนะักดิสิตกี่คนกี่คนเบอร์นั้นเบอร์นี้แล้วก็แต่ละวันอะไรก็หาวิธีที่จะให้คะแนนไปแต่ละวันแต่ละคาบแต่ละอะไรแต่ละไปต่างๆนานานะดูทั้งนั้นนอะ ก็นะอยู่ในนี้บ้านวัดโรงเรียนก็รวมอยู่แล้วให้คะแนนไปทั้งเงนด้านศินเด่นเป็นงานหรือว่าความรู้ที่จะตรวจสอบเพระรัชานวิชาอาจจะให้คะแนนเป็นภาคอย่างนั้นอย่างนี้อะไรก็ว่าไปคือมันยังไม่ได้ดําลิคหรือยังไม่ได้หาวิธีที่จะต้องหาถามันใหม่จริงๆอะแตมาว่าเพราะเรามันใหม่จริงๆนะมันยังไม่เคยมีในโลกนะเ ข, ขาก็มีบ้างอะแต่มันไม่ไตรงกับ อ, อย่างเราทีเดียว มันก็เลยต้องขอผัดเพี้ยนไปก่อนไม่ว่าอีกสิบปีจะลงตัวหรือเปล่ายังไม่รู้นืงจะเข้าลอ็อกเข้าล่องของบ่าวเนี่เอาจริงแต่ไม่แน่หรอกผู้ที่ท่านรู้ท่านมีปฏิพาณปัญญารู้จักหลักการศึกษามาแล้วเนี่ยก็อาจจะมาจัดสรรได้ดีขึ้นก็นนแล้ว ก, ก็ดูใจตัวเองเพิจรารณามันตัดตาไม่มีอะไรหรอก ไปกลัวอะไรก็น่าก็นานอย่างเก่งก็ตกก็ไงก็แล้วกันกลัวทําไ ม, อมไ เ, เอาใครอีกได้คนหนึ่งเอาให้อีกคนหนึ่งให้คนนึงยกมือคนสุดท้ายกระวัตอา่อาอ๋อไปเลยเอทําไมไป <laughs> กราบนักสการค่ ะ, จะเจริญธรรมพี่น้องทุกท่านค่ะเอ่อ ฟังดูพักพวกเพื่อนภูงก็จะกังวลกับเรื่องการสอบนะคะซึ่งดิฉันเองเป็นเด็กใหม่เป็นเด็กอรุบาลของของการปฏิบัติธรรมต้ารู้สึกตัวเองว่าไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่เพราะเห็นแนวน้องว่าจะตกอยู่แน่ๆอยู่แล้วเห็นไหมวางใจสะอย่างเดียวนะก็ก็อยากสอบนะคะเพราะว่า แค่อยากรู้ว่าตัวเองเข้ามาสองสาปีเนี่ยได้อะไรบ้างได้แค่ไหน อ, อยากรู้แค่นั้นเองคะ่ะแล้วก็บอกข้อตรงไหนก็จะได้ขัดกลาตัวเองต่อก็ก็ยินดีมีมีความสุขนะคะที่ได้เข้ามาเกาะใจจิวอนพ่อครัวค่ะมีแท่นนแล้เออเอาเจนี้นักบวชเอาเลยเอาฝ่ายยิงก่อนเอาฝ่ายยิงก่อน ไม่ดังครรคพอากาศบักะโลไม่ดังขรรคอากาบพ่อท่านท่านสมณะพันเตนค่ะโสค่ะเจริญธรรมพวกเรทุกคนนะคะฟ uh, ังพวกเรากังวลเรื่องการสอบก็รู้สึกเห็นใจ น, นะคะ <c oughs> ฉันมีความรู้สึกวเออทําไมมันรู้สึกบันยินดีก็ไม่รู้นะคะฉันนึกถึงตอนที่มีการสอบบอบอสามบอนะคะ ทุกครั้งก็จะข้อสอบมาทํามาทวนทําตามนะคะเออลืมพูดถึงหนึ่งก็ผิ ด, ผ, ด <laughs> ผิดหลายข้อนะคะผิดเยอะเหมือนกันก็รู้สึกเออทาไมเราถึงผิดเออเพราะเรายังไม่เข้าใจก็เลยมีความรู้สึกว่าการที่เราทําข้อสอบไม่ได้อะเพราะเรายังไม่เข้าใจแล้วก็ที่เรามาเรียนธรรมะที่เรามาต้องพวกครูเพื่ออะไรก็เพื่อที่เราจะได้เข้าใจในเนื้อหาธรรมามากขึ้นใช่ไหมคะถ้าเราทําไม่ได้ก็แสดงว่าเรายังต้องเรียนเพิ่มเติ ม, ตมใช่ไหมคะ กลยมีความรู้สึกเออ ก, ก็ดีนะที่มีการประเมินมีการประเมินผลวัดผลมันจะทำให้เราได้เข้าใจตัวเรามากขึ้นน่ะนะคะแล้วก็ออถ้าสมว่าเราทําผิดนี่ก็ครูบาอาจารย์พ่อท่านก็จะไดอธิบายให้เราได้เข้าใจมากขึ้นน่ะนะคะก็ไม่อยากให้พวกเรากังวล น, น่ะนะคะฉันนึกถึงตอนที่ไปทำเดียนแพ้คารวาสตั้งหลายคนนะคะที่ทำข้อสอบตอนสอบปบบบบสาบอสานะคะคือเพราะคือบาง ยิ่งข้อสอบบังคอดโอ้โหวกไปวนมาอาจารย์ก็อะไรนะั้นหลอกล่อใช่ไหมคะเราก็งงสินี้แล้วก็ทำไม่ได้อะไรเงี้ยนะคะค่ะ ก, ก็รู้สึกยินดีกัอย่างงี้ไม่อยากให้พวกเรากังวลในเรื่องของการสอบเพราะว่าคืออย่างน้อยน้อยคือถ้าเราทําไม่ได้เราก็จะได้เข้าใจเรื่องในตัวเรามากขึ้นเราจะได้พักเพียนเพิ่มขึ้นในมุมนี้นะคะค่ะแล้วก็ส่วนธรรมะวันนี้ก็ได้เข้าใจในเรื่องของเออดรัจฉานกระถามากขึ้น แล้วก็ในเรื่องของที่พ่อครูพูดถึงเรื่องของกรรมรรมตานะคะก็มาคิดเห็นนะคะว่าเอ้การคาว่ากรรมรมธรมตาคือเรามีใจใจยินดีที่มันเป็นกิเลส น, นะคะก็เลยนึกถึงว่าเอ๊ะแล้วเราความรับผิดชอบละ่ะบางคนก็จะอ้างว่าไม่ทำอะไรมากหรอกเดี๋ยวมันติดอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ปล่อยวางแล้วเราก็เอแบบนี้ไม่ใช่ความรับผิดชอบม่นานนะคือ คือบางทีการที่เราไปกลัวมากเกินไปกลัวว่กลัวที่มันจะเป็นกรรมมารมตาเนี่ก็เลยกลายเป็นคนที่มีความราับผิดชอบนะพ่ะครูคะค่ะอ่าถูกสิอ่าก็เลยคิดว่าเอออันนี้เราต้องตั ว, ตวจะดูใจเราให้ดีๆเหมือนกันนะว่าคําว่าความราับผิดชอบกับกรรมรารมตามันต่างกันนะอะไรเงี้ยค่ะก็เสือเราจะได้สับสนไเอางานเอาการก็ได้รับผิดชอบหรือไม่เอางานเอาการกับกรรมมารมตาเดี๋ยวมันก็สับสนกันใหญ่ค่ ะ, คะ ซึ่งซึ่ ง, งคือความรับผิดชอบเราก็ต้องมีใช่ไหมคะใช่ความรับผิดชอบด้วยเอาการเอางานค่ะแต่นี้คือถ้าเราเป็นคนเอาการหนึงานมันก็ไม่มีเสียอะไรค่ะถ้าเป็นคนไม่เอาการไม่เอางานเอาแลกกันมันจะไปใช้ได้อะไรอันนี้ก็ก็เป็นจุดเช็ค ก, กันนะว่าเราตีกินหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะแค่นี้ค่ะอ้าวทางโนต่อหรือเปล่าอ้าวทางนี้สลับมา พุทโธท่านยังพูดไมได้ขอการคือถ้าดิฉันได้เป็นอาจารย์นะใครมานั่งในดิฉันใคะแนนทุกวันเน่อนะเมื่อวันนี้วันนี้จริงจริงวันนี้ก็คุยกับท่านธรรมะตึกมาศคุณหนึ่งฟ้าและคณะด้วยนะหลายคนเหมือนกันเรื่องเรื่องสอบเราก็เห็นใจอยู่แล้วมันจะไม่ทับโถมให้หนักแต่ว่าถ้าพูดถึงคะแนนเนี่ย ถ้พูดถึงคะแนนความจริงของชีวิตเนี่ยใครที่เข้ามานั่งเก้าอี้แล้วฟังพ่อครูมากที่สุดเนี่ยทุกวันทุกวั น, ท, วนทุกวันสะสมเวลาเนี่ยเตรียมรับคะแนนไว้ได้เลยค่ะจะให้อยู่เลยค่ะไม่ได้มานั่งหมายเอาไว้เก้าอี้ก็นั่งไม่ตรงที่วันวันนี้ก็นั่งตรงนี้วันนี้ก็นั่งตรงนี้แล้วก็เป็นคนตั้งโอ้โหเนี่ยมานั่งกันหลายสิบอยู่นี่จะร่วมร้อยมันจะทันมันจะมาก มันจะไปกาอะรอ่าเงยเดี๋ยวเดี๋ยวเชื่อในสีนึงแต่ละคนก็จะให้คะแน น, น, นว่าตัวเองอเนี่ยมาฟังได้มากขนาดไหนท่านฟ้าไทยบอกว่าเดี๋ยวจะให้ติดป้ายชื่อแล้วเพราะบางคนท่านยังไม่รู้จักป้ายชื่อเตรียมให้คะแนนนะที่ติดป้ายชื่อนี่จะให้คะแนนแล้วอ๋อค่อยๆปรับไปเขาก็จัดไปมันก็คงจะดีขึ้นออ้าวท่านขอาการครับเดี๋ยวนี้เล่านิทานให้ฟังหน่อยวันนี้อ <c oughs> <c oughs> เม er ื่อเช้าเดินไปตักอาหารเจอศิษย์ธรมบอกว่าท่านถังน้ำอมฤตหรือน้ำฉี่นะจัดไปให้แล้วนะว่างั้นนะยังไงก็ขอหน่อยวันนะอาตมาบอกไม่ให้หรอกอาตมาก็ไม่ได้ให้น้ออาตมาก็เอตัวเองก็ใช้หมดทุกวันไม่ได้ให้ คือขออาตมาเนี่ยอาตมาใช้น้ะะําปัสสาวะเนี่ยถ้าดื่มเนี่ยประมาณสองลิตรขึ้นเนือั้งแต่ประมาณ3มลิตรอะไรพวกนี้มันจะใช้ขนาดนั้นแล้วที่เหลือนั้นก็จะไปสป า, าไปชาระล้างอะไรพวกนี้นะวันนี้ก็บอกให้เพราะว่ามันมีถังเขียวอยู่ข้างๆนี่ประมาณหกเจ็ดถังนะอ่าใครจะไปใส่ก็เฮ้บอกว่ามันตอนนี้ผักไม่ค่อยไม่ค่อยงามังงั้นนะ <c oughs> ขนาดมีลงลงปุ๋ยนะแต่ว่าผักไม่งามังงั้นนะ ไม่รู้ว่าจะผิดสูตรอะไรก็ไม่รู้นะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะเขาว่าทนเอาหน่อยนะเหมือนก็พวกเราที่ว่าติดที่ว่าจะสอบได้หรือสอบไม่ได้เนะี่ยวันนี้อตรตมาก็มีอันหนึ่งนะที่ว่าเวลาบวชมาแล้วเนี่ยอุปชาหรือว่าเนี่ยจะให้ให้ให้อะไรให้นิสัยมานะีในนิสัยสี่หรือว่าบริถนแ8ดเนี่ยมันมีอันหนึ่งนะที่ต้องรักษาที่สุดก็คือบาดใช่ไหย บาทอันนี้เนี่ยใช้มา19ปีแล้วเนี่ยยังไม่หมดเลยนะบาทเดียวนะอะบาทเดียวเนี่ยบาทเดียใช้มา19เกปียังไม่หมดไม่รู้ว่าก่อนตายนี่มันรู้จะหมดหรือเปล่าไม่รู้นะบาทนี้บังเอิญมันตกน้ำามือนนะมันยังไม่เสียมันจะตกน้ำหายน้ำมันก็ลึกประมาณส3สเมตรหรือสี่เมตรเนี่ย<อ>จะไปตามใครมาเอาไอ้ไอ้ดำลงไปเอามานะนะ ก็จะนึกนึกถึงใครเนาะนึกถึงกล้าทนเอ๊จะไปตามเขามาเอ๊แล้วมันยังไงนาะหนาวก็หนาวนะมันหนาวจริงหรือเปล่าไม่รู้นะแล้วที่จริงอันดําน้ำเนี่ยจไปนึกลมันหนาวมข้างบนมันอุ่นครับเอ๊มันจะยังไงอ่ะเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่กลัวในเรื่องดําน้ําเรื่องอะไรนี่ก็ไม่กลัวหรอกแต่ทีนี้มันห่างแล้วไงเราไม่ได้ดํานานแล้วอ่ะก็ทดลองดูดูซิว่าไอ้นี่มันอุปชายมานะเราต้องรักษานะ มันต้องเอาขึ้นมาให้ได้นะกระดาไปครั้งแรกนะดําลงไปมันแค่ไปไปถูกถูกบาดถูกล้มกันเกิดรีบดันขึ้นมามันไม่ไหวมันน้ํามันเข้าหูเข้าตาอะไรก็ไม่รู้ขึ้นมาจะหายใจโอ้แทบไม่ทันเลยอะไพวกนี้เอถ้าเกิดเราตายเนี่ยมันจะมีคนรู้ไหมเนี่ยเพราะว่าเพราะว่าก่อนหน้านั้นก็เอา เอาเครื่องบันทึกให้ท่านแสนดีนไปนะบันทึกให้หน่อยเผื่อเผื่อไปไม่ทันอะไรพวกนี้หรือไปไม่ได้อะไรพวกนี้เอ๊ะเราให้ในท่านหรือเปล่าวะนี่ยยังนึกๆกอยนะว่าเอ๊ะมันจะเอาได้หรือเปล่าเนี่ยเอาก็เลยดําลงไปอีกสองครั้งสามครั้งก็ไม่ได้เพราะว่าลงไปแลยมันมันยิงเย็นไงนะขึ้นมาควรจะโผล่ขึ้นมาก็จุดไม่ถูกไอ้บันไดหรือว่าไอ้เหล็กอยู่ข้างบนที่เป็นแพรอยู่ในนั้นถูกตรงนั้นแล้วมันจะยังไงอะ โอ้โหตัองสามครั้งสี่ครั้งห้าครั้งหครั้งเกือบ30นาทีนะพยายามดำเพราะดำบ่อยๆเนี่ยรู้สึกมันมันดีขึ้นเนะเราบ่อยๆไปขึ้นก็พยายามตามมาให้เจอถ้าเราใช้ความพยายามเรานึกว่าไอ้ของพระพุทธเจ้านั่นให้รักษาให้อะไรเนี่ยกำลังใจมันก็มากขึ้นมากขึ้นอะไรพวกนี้ก่อนเที่ยวสุดท้ายในจำได้ว่าตั้งตั้งะโมก่อนนะ <laughs> ตั้งน้โมแล้วก็พุดทางอ้วเนี่สามจบนั่นแหะดําลงไปเตียงนี้เนี่ยเอาให้ต้องไม่ไม่เชื่อไปจะได้หรอกแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่ามันอันนั้นอ่ะก็เลยไปจับจับบาดได้แต่ว่าของมันอาจจะหายไปอาจจะมีช้อนมีอะไรน่ะมันได้แต่บาดขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาโอ้ยเลยไปก็หาให้บางช้อนอะไรอย่างเงมเลยช้อนก็เลยมานึกถึงว่าพวกเราตายเพราะช้อน เกิดมึนกเตือนพวกเราว่าไอ้สอบครั้งแรกแน่นอนว่าอาจจะยากแต่ถ้าสอบบ่อยๆทําบ่อยๆเนี่ยมันน่นาจจะได้เอามาให้ครับกําลังใจให้กําลังใจแล้วมีอีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวจะบอกให้ฟังว่าการอ่านคนคืออะไรเนี่ยอ่านมาแล้วหลายครั้งแค่อ่านอย่างเดียวนี่ย ม, มันแค่อ่านน่ยลองพิมพ์ดีดดูที่ลองเขียนดูที่ว่ามันจะได้ไหมก็เลยตอนนี้ก็เลยฝึกไอ้พิมพ์ดีดไอ้เรื่องคนคืออะไรเนี่ยกาว่าสัก สปีหรือปีก่อนมันน่าจะจบเอาวารนหน้าน ะ, ะว่า ง, งั้นนะลองเรียนว่าเออรู้สึกว่าพิมพ์ดีดเนี่ยไอ้เขียนไม่เท่าไหร่เพราะเขียนเราก็รู้ว่ามันผสมได้ไหมแต่พิมพ์ดีดเนี่ยมันอยู่ตรงไหนอะกอไก่อยู่ตรงไหนอ า, ากาศอยู่ตรงไหนอะไมันมันยากอยู่เหมือนกันเกิดจะได้วันหน้าเนี่ยากนะไม่ได้เรียนมาออัตมาก็ไม่ได้เรียนนะแต่จิ้มมาจิ้มมาจนกระทั่งเออคอยเชั่วได้ทำได้เป็นหนังสือเล่มเลก็ได้แล้ว คือก็อเห็นพอครูเขียนนี่เอ๊ะทำไมมันเขียนยากวันหนึ่งบางทีไม่ได้ถึงหน้าเอเราไปทําเองเมันก็ไม่ได้เหมือนกันนั่นเองอัน น, นพิมพ์ไม่ได้อัอที่เขียนผมเขียนนี่ไม่ยอมพิมพ์ไม่ทนันเอเอมันคิดไม่ทนัน <laughs> อันนี้มันมีแรงมันมีครบหมดแล้วพยัญชนะอันนี้หมดแล้วแต่ทีนี้เราจะคาหาไงหาแล้วจะผสมอะไรพวกนี้ไอตัวบนตัวล่างไอตัวนี้มันอยู่ตรงไหนอะไรพวกนี้ <laughs> ก็ให้ ก, ำกํกำลังใจพวกเราว่าเราจะทำมาแล้ว ก็แล้วแต่นี่ไม่ใช่ว่าจะทำแล้วมันจะคล่องเหมือนกับสิ่งที่เราคิดไว้ถ้าเราไม่ได้ด้วยกำลังหรือด้วยแรงที่เป็นฉันทาหรือว่าเป็นความอดทนเนี่ยไม่มีทางหรอกจเจริญธรรมอ้าวใครอีกกั บ, บกอการครับ <c oughs> ท่านพูดถึงเรื่องการหัดพิมพ์ดีดอาจมาพักอยู่ที่เรือใกล้เรือพ่ครูเนี่ย ข้างๆเรือที่อามาพักนี่ก็มีพันเตแกนกล้าวนาท่านพักอยู่ตอนอาตมาจะเข้าไปนอนเนี่ยมาก็ได้ยินเสียงเสียงเหมือนกับเสียงเพลงที่ใช้ประกอบเวลาพวกเราหัดพิมดีดในเครื่องคอมอะ่ะมันจะมีเสียงอยู่ถ้าถ้ากดผิดปุ๊บมันจะมีเสียงอันหนึ่งถ้ากดถูกก็เสียงอีกอย่างหนึ่ง มาประทับใจท่านมากเลยเราเห็นท่านตอนกลางวันทั้งวันเนี่ยท่านลุยกับ ง, งานหนักนะแต่กลางคืนเนี่ยท่านหัดคอมพิวเตอร์น ะ, ะไม่ธรรมดาสักวันหนึ่งเถ อ, <c oughs> อะพูดถึงการสอบมาประทับใจที่เมื่อกี้ใจดินบอกถึงสภาวะที่เราทุกข์เพราะอะไรแล้วก็พ่อครูช่วยอธิบาย มาว่าการที่เรามาเข้าห้องเรียนทุกวันเนี่ยมันก็มีการสอบอยู่ในตัวได้ได้เช็คสภาวะแต่ละครั้งที่ได้สอบเนี่ยหรือมามาฟังทุกครั้งเนี่ยทําให้ทุกเราลดลงนะและเข้าใจแนวทางด้วยสิ่งนี้แหละมันมันคือคือคือได้สอบไปในตัวแล้วอ่ะ ไม่ต้องไปกังวลว่าไอ้ที่เราจะสอบจริงๆอะ่ะหรือว่าไอ้ไอ้ที่เรากังวลเนี่ยมันติดมาจากพบเก่าๆหรือเปล่าที่สมัยเป็นเด็กนักเรียนนะตอนสมัยเรียนตอนนั้นนี่ก็จะสอบทีไรมันก็เต้นทุกทีนะสอบสมัครงานต่อะไรนี่มันก็ติดมาเนี่ยนิสยยัยเงี้ยนะีจะไม่ให้วางใจเลยปุ๊บปั๊บทีเดียวมันคงยากก็ต้องอย่างที่ท่านักแดนบอกนี่แหละก็ทํำบ่อยๆ สอบบ่อยๆเมื่อดาตมากับท่านักแนนก็คล้ายๆกันเนี่ยจริงๆก็กลัวไม่อยู่นะกลัวพูดผิดมวันนี้ฟังพ่ะครูอธิบายเรื่องเรื่องจิตที่มันกลัวการสอบเนี่ยเออมันเหมือนกันเลยนะจับมาอันี้เหมือนสอบทุกทีเลยนะมันมีอัตตามันกลัวเสียหน้ากลัวพูดไม่ถูกกลัวพูดไม่ดีพูดถ้าคนไม่เข้าใจอะไรเงี้ยนกะังวลแต่พูดไปก็เพลินกันนะพูดไปก็พูดได้เลย <laughs> เดี๋ยวไม่วางเลยวันนี้พ่อครูอธิบายเรื่องติระชานกระถาได้ละเอียดน่าประทับใจมากหลายๆเรื่องได้ไดกระจ่างแต่มีอันทสุดท้ายที่พ่อครูสรุปว่าจริงๆก็พูดได้หมดแหลวทุกเรื่องแต่ว่าให้ใจเราเนีย่ยโยนิสงบนักสิการให้เป็นอันนี้เริ่มยุ่งแล้ว แล้วเร า, เรามันมีหรือเปล่าอยู่ในโสมนาสิกาหรตัวาหลายครั้งหลายทีมันก็กปล่อยอินไปกับหรือว่าใจเนี่ยมันไปไปกับงานจริงๆอ่ะเราจะเอาให้ได้อย่างใจจะให้มันสําเร็จเดือเอาให้ได้อย่างที่เราคิดเนี่ยถึงขนาดนั้นนี่คงไม่ได้อยู่ในยในิโสมนาสิการเหมือนกันเพราะนั้นวันนี้ก็ได้ความกระจ่างเรื่องเนี้ย ถ้าเรามีโยนิโสมนสิการเป็นไม่ว่าเราจะทำหรือจะพูดนะจะอะไรก็แล้วแต่จะคิดอะไรก็แ้แต่ถ้าทำาอั น, นี้เป็นก็ไม่ผิดใช่ไหมครับครับผม ค, ร, ค ร, รับกาบการครับอ้าวอันตมาต่อเลยมีใครไหมไม่มีอันตมาจะได้เสริมโยนิโสมนสิกาเนี่ยให้ฟังต่อโยนิโสมนสิกาเนี่ยนะเป็นคำที่ชัด มากเลยในนักปฏิบัติธรรมมณสิกการหรือมณสิกโรติเนี่ยแปลว่าการทําใจในใจท่านก็ไปแปลว่าการทําไว้ในใจท่าไปแปลบางทีท่านก็แปลว่าการทําไว้ในใจการทําไว้ในใจก็เหมือนกับไปตั้งอุปทานนั่แล้วไว้สิฟังดู มันควรจะต้องแปลแต่ก็มีบางท่านก็แปลว่าการทําใจในใจก็ตรงดีคือทําใจของเราเองเราต้องทําให้เป็นการะเนี่ยการะรกรโรติแปลว่าการกระทําการกระทําที่ใจของเรามนาุษย์ที่ใจมนุษยที่ ใ, ใจหรือในใจตรงใจของเราเนี่ยท ำ, ทำตรงนี้ธรรม น, นิมนุษ์เนี่ยเพราะในมูลสูตร มูลนิศูนี้ชัดมากเลยมูลนิศูดเป็นหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนที่สุดเลยท่านระบุเอาไว้อสิบข้อของมูลสูตรดนี่ข้อแรกมีฉันทะเป็นมูลต้องมีความยินดีถ้าไม่ยินดีแล้วจะมาปฏิบัติธรรมเลยยินดีหมายความว่าโอ้เราเห็นดีเล ย, เยจะมานิพพานจะไปอธิญญานี่เห็นดีเห็งามแม่มันจะฝืน้นมันจะยากยังไงก็รู้อยู่หรือ บ, บางทีมันขี้เกียจ แต่ใจตัวยินดีเนี่ยมันต้องเอาได้มันยินดีนิพพานเนี่ยมันเนือชั้นก็ไปล่าลาบยศนะคนจิตเข้ามาเงี้ยนะคนนั้นเเป็นตัวตั้งข้อที่หนึ่งเลยนะันทับเป็นโมลกาข้อสองเนี่ยมณสิกการเป็นแดนเกิดคุณจะเกิดเป็นอริยะคุณจะเกิดใหม่จะเกิดใหม่จิตมันจะเกิดใหม่ คุณก็จะรู้สัตว์อโอปปาติกะรู้จักจิตในจิตรู้จักจิตเจตสิกรู้จักอธิอภิธรรมก็ต้องจับจิตเป็นจริงจริงอ่านจิตออกจริงจริงแล้วก็จัดการกับจิตพิจารณาวิเคราะห์พิจัยลงไปเป็นเวทนาเป็นจิตนะองค์ประชุมตั้งแต่กายเวทนาจิตธรรมองค์ประชุมก็มันมีทั้งพังหน่อกิจสัมผัสเกี่ยวข้องแล้วก็ต้องอ่านใจอ่านใจตั้งแต่มันเป็นเวทนาเป็นอารมณ์ก่อน เหตุที่มันทําให้อารมณ์เราสุขเราออกก็เราทุกข์อะไรอย่างนี้เข้าไปก็อ่านเป็นแล้วก็ทําใจเป็นยิ่งทําประหารเป็นพิจารณาโดยวิปัสสนาญาณพิจารณาเออจิตมันมันไม่เที่ยงไอ้นี่เลยยากอัตมาว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นเหตุแห่งทุกข์แห่งความไม่เข้าท่าอะไรตั้งนั้นนะ่ะแล้วจริงๆมันไม่ใช่ตัวนี้จะจะเป็นอาการอย่างนี้อยู่หรอกในจิตเรามันจะจางคลายไปจางคลายไปมันจะหายไป นั่นาเราทาจิตของเราเป็นธรรมานัสสิการ์ตัวนี้ไม่เป็นไม่โยนิโซนะไม่ลงไปถึงที่เกิดหรือไม่ท่องแท้ไม่แยบคายละเอียดแยบคายจริงๆเพราะมันเป็นของลึกซึ้งแยบคายต้องท่องแท้ต้องแยบคายละเอียดมากมันไม่มีตัวตนมันไม่มีรูปร่างแต่ต้องรู้พราท่านธรรมนัสสิการไม่เป็นตัวนี้เลยเนี่ยนะเพราะงั้นใน สมา ธ, ธิถ้าจะสมาธิธิแล้วคนนั้นจะต้องปรโตโคสะกับโยนิโสมนสิการสองข้อนี้เป็นเครื่องยืนยันว่าเราสมาธิธิก็เพราะว่าคนส่วนมากเขาเอาวิชาก่อนเอาวิชาก็ต้องมีผู้ที่มีวิชามีสัตบุรุษมีผู้รู้ที่จะต้องพูดต้องอธิบายต้องอกล่าวขึ้นมาให้เราฟังให้เราได้ยิน เราดอ๋อแล้วก็รับเอาปราโตโคโะเอออันนี้ตั้งตัแ ต, ต, ต, ตเเเเรร่เราเห็นไม่เห็นอย่างนี้มาเก่าแต่มาเห็นอย่นี้แล้วเรารับเราเห็นเห็นคนจะต้องรับมันน่ารับไอ้ที่จะรับนี่แหละปรโตโคโะที่จะรับฟังนี่ตั้งถ้าไม่ยินดีหรือไม่พอใจแล้วถ้าต้านก็นอยู่อย่างอาตมาเ น, นี่ยพูดเธอไอ้คนที่เขาต้านมันไม่ได้ยินดีในตัวเราเลยเนี่ย ร้อยทั้งร้อยแต่เขาไม่ฟังพระเจ้าอาตมา จ, จะอธิบายโยนิสโสมนสิการไปอย่างไรเขายึดแล้วว่าโยนิสโสมนสิการของเข้าคือพิจารณาเป็นผู้คงแก่เรียนเป็นผู้รู้มากเป็นผู้รู้รู้เฉยเขาไม่ได้เข้าไปถึงจิตเลยไม่ได้เป็นปรมัตา์เลยโยนิสโสมนสิการ์มันตัวโยนิสโสมนสิการถ้าเข้าใจไม่ได้จริงๆแนละ้วทําไม่ถูกจริงๆเลยนะเข้าใจไม่ได้จริงทําไม่ถูก ร้องเข้าใจผิดกันหมดแล้วและอาตมาก็มั่นใจว่าอาตมาในพูดถูกอธิบายถูกแล้วก็ไม่ฟังอาตมาเลยไม่รับเลยไม่ปรตโตโคสะไม่เอาอาตมาก็เห็นใจนะวาคนพวกนี้เนี่ยน่าสงสารเป็นที่ยิ่งเลยและยิ่งไปในสุริยเปยัญสูตรข้อที่เจดเลยต้องโยนิโสมนสิการเป็นนิมิตเป็นแสงอรุณกรที่จะปฏิบัติมรรคองแปดได้ มันตะเพิดว่าคุณไม่เข้าใจในโยนิสโสมนสการนะ์ไปปฏิบัติมักองแปดให้ตายยังไงไปสังวรไปปฏิบัติยังไงก็แจ๊งมันไม่ได้เรื่องอะไรหรอกมันก็ไปนั่นแหะอย่างนาะกล่าวนาะอะไรอะไรไปด้วยมอนกันั่งสะกดจิตไปแล้วมันจะไปโยนิสโสมนสกการที่ไหนพอหลับเข้าไปแล้วไปอยู่ใน พ, พวังยกจิตขึ้นสู่วิปัสนาพิจารณาโอโหเกิดปัญญา ก็ไปพิจารณาไอ้ส <crystal> ัญญาอะต่างๆนานาเนี <wh> ่ยอาจจะเอาขันเก่ามาหรือฟุ้งซ่านไปหาขันอนาคตเอาขันอดีตมาคิดแล้วก็มาปรุงอะไรไปต่างๆนานาหรือเป่าให้มันผู้ที่บอกว่าเอาท่านาเข้าฌานหรือว่าเข้าเป็นสมาธิแล้วจิตมันจะว่างแล้วจิตมันก็จะเกิดปัญญาเองอะไรงี้เป็นต้นแล้วไม่จะเกิดปัญญาเองไอ้ความจริงแล้วในขณะที่มันมีสมาธิ จิตมันไม่มีกิเลสก็ไปกวนเนี่ยมันก็จะคิดอะไรได้ง่ายขึ้นได้ไวขึ้นมันก็คิดได้เกินปกติเพราะฉะนั้นก็เห็นว่าโอ้โหอันนี้เราทำไมคิดได้ขนาดนี้เว้ยทาไมเราคิดได้ขนาดนี้คิดเป็นฟุ้งซ่านก็ได้หรือว่าระลึกความเก่าเรียกว่าขันในอดีตขึ้นมาก็ได้ก็รู้ก็เห็นก็เข้าใจถ้าคุณระลึกขันในอดีตคุณเป็นอริยะของเก่าคุณก็ได้เห็นของเก่าอริยะของเก่า มันบริจาคธรรึกชาติของท่านแต่ถ้าคุณไม่มีในอดีตคุณรรดึกให้ตายไงมันก็ไม่มีให้คุณรรดึกหรอกนะคุณก็จะมีแต่ขันในอนาคตคุณก็ปรุงก็สร้างไปก็เป็นอะไรแต่ไปอีสัพพึตะเพอก็คิดที่บวกลบคูณหารไปฟุง้งซ่านเอาไอ้นะมบุสมไม่โอโ้โหโอ้โหมันเข้าท่ามันเข้าท่ามันเข้าท่ามันเข้าท่านะมันก็เลยยิ่ง เรื่องจริงๆการปรุงแต่งจิตตัวเองขึ้นมาเป็นเรื่องเพอ้อเจอ้อไปเจอะเลยมันก็เลยยิงบางทีบางอย่างเอามาฟุ้งมาฝอยมาเป็นโนน่นี่อะไรต่างๆนานานะสารพัด ส, สรุปแล้วโยนิโสมนัสิกานี่เป็นตัวหลักแท้ๆเลยนะในปัญญาสูตรนะปัญญาวุฒิสูตรบ้างในอไรเอกัยโยนิโสมนัสิกานี่เป็นคำสำคัญ นะถ้าไม่ได้ก่อนคุณปฏิบัติมรรคองค์แปรก็ไม่ได้นะถ้าเพื่อว่าไปไม่ได้ฟังสัตตบุรุษคุณก็ไม่ได้ฟังสัทธำคุณก็ไม่ได้เข้าใจหรือรู้หรู้ศ ร, ร, ร, รัทธาที่ถูกต้องคุณก็ไม่รู้ว่าโยนิโสมนสิการ์ทำยังไงในะอวิชชาสูตรก็เหมือนกันมีนนมในคําต่างๆระนาพวกนี้ที่อาตมาาขยายความเยเพราะงั้นคําว่าโยนิโสมนสิการ์เนี่ย ฟังไปแล้วพวกเราก็จะได้เข้าใจดีขึ้นลึกขึ้นเข้าใจมากขึ้นว่าเออจริงๆมันเป็นคำสำคัญจริงๆในาศาสนาพุทธอ่ะเอาละยีพานนะทีละสองทุ่มยีพาลนะสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้จเจริญธรรมทุกคน